จเจริญธรรมทุกคนาวันนี้เรามาเรียนสรรค่าสร้างคนวันที่ยี่บสองกรกฎาคมสอง7ห้าร้อห้าสิบเจ็ดจะหมดเดือนแหละวัวจริงๆ และแบบนี้มันจะเอาเวลาที่ไหนมาแก่ประเดียววันเดียววันเดียววันแก่ไม่ทันจริงๆแก่ไม่ทันทำอะไรก็ไม่ทันเหมือนกันโอ้ยอาตมานี่ไม่รู้จะทำยังไงไม่เก่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรหยุดยากอืดอาทำไม่คล่องไม่เร็วไม่ไว้ไม่เสร็จแมไม่ปลูกปราดเลยอ่ะเพยายามไปเนาะ ดูซิว่าเราเองนี่นะอาตมา8ป8สบอปดสบปบอดย่างพวกคุณในที่นี้เนี่ยใครแปดสิบังยกมือปดสิบใคร8ปดสิบแล้วมั่งใครกี่คนอา่าคนหนึง่งยมอะไรอยมเม้าเบายมเบาเ 80บเท่าไหร่ฮะ พ, พอดีพอดีแพอขนาดไหนพอดีเนี้ยอาตมาแยกย่าง8ปบอดมาเดือนกว่าแล้วมิถุนากรกฎาฮะเกือบสองเดือนแล้วอาตมาย่างเกือบสองเดือนลนะน่เอาละ ก็ไล่ไล่เรียกแปดสิบมีอยู่คนหนึ่งนอกนั้นน้อยก็จะมาอเออโยงสะอาดเออโยงสะอาดแปดสิกว่าเหมือนกันเท่าไหร่ 82, 82นั่น อ, อ่า82ลองดูว่าใครจะขี้เกียจก่อนกันอายุมากอายุน้อยกัน อาตมาจะขยันสอนพวกคุณจะขยันเรียนนี่ใครมาจะขยันน้อยกว่ากันลดลงก่ก่อนกันก็ลองดูทีเอออาตมาจริงๆนะคืออยากจะให้อยากจะแนะนําอยากจะอะไรอะไรซึ่งมันแม่มันเป็นเรื่องเห็นคุณค่าอาตมาอยากให้ครูทั้งหลายแหลในโลกนี้เขาสอนหนังสืออย่างเห็นคุณค่าอ่า มันน้อยทุกวันนี้เป็นครูไม่เห็นคุณค่าของงานของกิจของความรู้ที่ตนเองมอีจะสอนก็สอนเพราะว่าได้เงินได้ยศตำแหน่งได้สันเสริญได้เอาไปเสพสุขสุขทางการสุขทางอัตตางอะไรแล้วแต่ก็เป็นโลกกระรมหนักหนักซึ่งก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ศึกษาแล้วเขาก็ก จมอยู่ในกิเลส ท, ที่มันเป็นนายมันก็กดหัวเอากดหัวเอาก็อยู่ใต้ธาตุเป็นธาตุกดหัวเป็นธาตุมันไปอยู่งั้นน่ ก, ก็ก็เข้าใจอ่ะก็เห็นใจอยู่แต่พวกเรานี่นะรู้แล้วนะเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ทำไมไม่สู้มันบ้างกับกิเลสนะสู้มันบ้างนี่กดหัวมันบังให้มันต่กดหัวเราโอ้มีหัวไม่ให้กิเลสมันกดไง ต้องพยายามหน่อยนะวันนี้อาจมาจะเอาหน้า16หของสัญฆาสร้างคนสูตรสู่ความสำเร็จของบุญนิยมเคยอ่านไปแล้ววันนี้ก็เอามาขยายความเพิ่มวันนี้จะใช่สองข้อสองข้อสูตรนี้อันหนึ่งกับข้อส8สูตร 19วัฒนธรรมบุญนิยมนะสิบหกกัสกสองสูตรเนี่ยสองหกข้อเนี่ยเอามาขยายความกันดูสรรค์่าสร้างคนนี่เป็นเรื่องที่อาตมาเองอาตมาเป็นคนร่างไอ้กฎหลักเกณฑ์อะไรต่างๆในสรรค์่าสร้างคนนี่อาตมาเขียนทั้งนั้นอนะมีของพระพุทธเจ้าอยู่บ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนอกนั้นเป็นอาตมาร่างเองหมดตั้งขึ้นเองหมด เป็สูตรที่อาตมามันคิดได้แล้วมันก็เขียนไปเขียนไปท่านราบซึ้งท่านก็เอามารวบรวมแล้วก็มาทำเลมเล่มเล่มโอ้ก็ขอบคุณท่านอาตมาเนีไม่คิดจะไปทำอย่างงี้นะแต่คิดทำแต่แต่เล่มเล็เลกๆก็ท่านถึงเล่มขนาดนี้หนาขึ้นมาก็โหดีจังเลยก็ยึงเห็นว่าอ๋อนี่เราคิดอย่างงี้เนาะเราเราไป็คนคิดอย่างงี้เองอะเนา ะ, ะแล้วตอนนี้ก็เลยได้เป็นเล่มหลัก ที่จะเอามาไว้ใช้สาหรับเอามาพัฒนาคนตามนี้ดูที่เรามีแนวคิดอย่างเงี้ยเอามาพัฒนาคนตามเนี้ยดูซิว่ามันจะเป็นบุญนิยมไม่เพราะว่าในที่นี้ถ้าใครอ่านดูจะเห็นได้มันมีคำว่าบุญนิยมอยู่เยอะแนวคําคำว่าบุญนิยมอยู่เต็มเลยดูซิว่าบุญนิยมมันเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นคนยังไงมันจะเป็นสังคมแบบไหน มันจะเห็นแก่ตัวขนาดไหนแล้วมันก็จะเห็นแก่ส่วนรวมขนาดไหนมันจะมีประโยชน์ต่อสังคมโลกสังคมมนุษย์ก็จริงไหมอาตมาได้แต่คิดถ้าพวกคุณไม่ช่วยรวมให้เป็นจริงอาตมาจริงๆแล้วก็แอบมาจิม้มฟันจิม้มฟันตายดีกว่า มันต้องร่วมร่วมมืออาตมาบ้างนาในสูตรนี้สูตรสู่ความสำเร็จของบุญยมนยหนึ่งศึกษาสองเอาจริงสต่อเนื่องสประชันสัมพันธ์กลุ่มหขยายงานหเผยแพร่เจการตลาด เจ็ข้อเนอี่อามาว่าครบในการที่จะสร้างความสําเร็จของความเป็นบุญนิยมได้ตั้งแต่หนึ่งคนไปจน ก, กระทั่งเกิดเป็นกลุ่มบุคคลจน ก, กระทั่งกลายเป็นเครือแห่เป็นบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลแล้วก็เป็นเครือแห่คือมีหลาๆกลุ่มมาสารประสานกันเข้าไปยิ่งมีมากมายซับซ้อนหนานแน่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็ยิ่งเป็นพลัง รวมที่จะมีพลังอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นมาในสังคมโลกโดยโดยมีคุณสมบัติที่ได้สะสมลงไปเป็นคุณ น, นิธิของแต่ละคนแต่ละคนจนรวมกันแต่ละคนแล้วก็มารวมกันเป็นหมู่กลุ่มใหญ่เป็นคุณราศีขึ้นมาอย่างแท้จริงนะเพราะตอนนีกกกกน้ก็เร่งการศึกษากันอาตมาก็เร่งการศึกษาพวกคุณเร่งช่วยอาตมาหน่อยที ให้อัตมาจะเร่งอยู่คนเดียวบโบ ด, ดเดียววิรว่างว่าเวเนี่ยมันก็ไปมันไหนไม่รอดแต่เผื่อว่าร่วมกันศึกษาอัตมา ก, ก็ให้การศึกษาพวกเราก็ตั้งใจศึกษาศึกษามันไม่ได้มีแต่แการเรียนอย่างเดียวหรอกแต่มันก็เป็นสำคัญปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัตก็คือการเรียนโดยทฤษฎีโดยความรู้ความเห็นความเข้าใจเป็นทิฏฐ แล้วก็เอาไปตั้งหลักเกณฑ์ให้แกต้นเลวศีลหลักเกณฑ์ให้แกต้นนี้เราร่วมกันได้แต่คนละคนอ่ะฐานะแต่ละฐานะไม่เท่ากันคนคนหนึ่งคนไหนกันแล้วแต่ถ้าเผื่อว่ายังไม่สูงเราก็เอาศีลห้าพื้นฐานโดยเข้าใจความหมายว่าศีลห้ามันคืออะไรแค่ไหนอย่ายาวแค่ระวังยาฆ่าสัตว์ระวังยาเอาของคนอื่น ระวังเรื่องราคะอย่าไปมากเกินขอบเขตนี้อย่าพูดปลด <c oughs> อย่าไปหลงมัวเมาในโลกโลกีอบายมุกเป็นตัวต้นเพราะในหลักเกณฑ์ของชาวโซเราเนี่ยศีลท่าไม่มีอบายมุกแล้วก็แถมไม่กินเนื้อสัตว์จะได้เป็นตัวหลักในการปฏิบัติธรรมคุณคงรู้ว่าที่เคยผ่านมาแต่ชีวิตเน่ะถือศีลไม่ฆ่าสัตว์แต่คุณกินเนื้อสัตว์อยู่มันก็เท่านั้นแะ มันปฏิบัติอะไรไม่ได้สํารวมไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกแต่พอมาถือศีลไม่ยว่าจะฆ่าสัตว์หรือถือศีลข้อฆ่าสัตว์นี่แหละและไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยนี่มันจะเห็นทันทีแล้วโอ้โหมันกิเลสเนาะ ก, กิเลสมาลุเป็นโอ้โหไม่ใช่เรื่องเบาวเลยกิเลสลักษณะนั้นลักษณะนี้ไหมเราและจิตใจเราจะมีเมตตามันจะรู้สึกตัวเขาก็ชีวิตเราก็ชีวิตจริงๆเลยนะรู้สึกกันไหม แต่ก่อนนี้มันไม่รู้สึกเราอะไรยิ่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยโอ้โหบีได้บีอทําลายได้ทําลายใช่ไม่รู้สึกรู้ซาอะไรนะตัวน้อยตัวเล็กมันทําอะไรเราไม่ได้แล้วก็จัดการมันเรียบร้อยหมดยังไงก็ไปหมดเรียบร้อยตายเป็นตายไปไม่รู้สึกรู้ซาอะไรเลยแต่พอไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะรู้สึกเฮ้ยสัตว์มันจะมีความรู้สึกสูงขึ้นไปกว่าแม่สัตว์ตอนนั้นอืม ไอแต่ก่อนนี่มันไม่ดูดำดูดีมันไม่เอาฐานอะไรเลยว่าเขาก็เป็นสัตว์เราก็เป็นสัตว์มันไม่อะมัยิ่งมันกวนวเราเลยเสร็จตัวเล็กตัวน้อยทําอะไรมันได้ทําเลยถ้าตัวใหญ่หน่อยทําอะไรไม่ได้ก็ต้องหาทางทําถ้าตัวไหนสู้ไม่ได้วิ่งหนี <c oughs> มันจะกวนเรายังไงก็สู้ไม่ได้ก็วิ่งหนีเลยอ่ <c oughs> ช้างตัวใหญ่มันมาเสือตัวใหญ่มันมาไม่อยู่แล้วแม้แต่งูยังมาอยู่เลยเพราะงันเมื่อเราบกากินเนื้อสัตว์เราจะเห็นทันทันทีนเพราะั้นที่นี่จึงมีศีลห้าแล้วก็ยกฐานนะขึ้นจากไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์อย่างเดียวว่าไม่กินเนื้อสัตว์ด้วยแล้วเราจะได้เข้าหลักสรมุมอินทรีย์โพชเนมัตัญุตาชากริยานุโย ค, คะ ซึ่งเป็นการปฏิบัติอันจะเกิดสติสัมปชัญญะจะเกิดนะมันจะเกิดเลยถ้าบอว่าถูกต้องตามที่มันมีสานึกมีสติมีสัมปชัญญะมันก็จะมีสัมปชานะมีสัมปชะสัมพยาตินะไปจงกระทั่งถึงสัมป ต, ตะสัมป น, นะโน่แหละหมายกวว่ามันบรรลุไปเลยมันจะมีความรับรู้รู้แล้วมันก็ต่อเนื่องไป และมันก็มีการพิจารณาแล้วมันก็มีการทำลายมีการกำจัดหรือเพ่งเผาจกนกระทั่งเผาสมเร็จก็ค่อยๆเข้าสู่ความบรรลุปัตตสัมป ต, ตสัมปนาไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นลักษณะของจิตวิญญาณเป็นลักษณะของจิตวิญญาณที่มันเจริญมันมีความเจริญของความรู้ความฉลาดความเข้าใจความเป็นจริงของ ความฉลาดแล้วมันก็ทำตามความฉลาดที่เป็นจริงของเราที่มันเกิดมันเห็นจริงยิ่งเห็นจริงเท่าไรมันยิ่งมีพลังอำนาจสูงขึ้นมีพลังอำนาจสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างนั้นอย่างแท้จริงเลยนี่เป็นคุณสมบัติของพลังปัญญาเป็นคุณสมบัติของพลังปัญญาจนสุดท้ายมันทำลายอะไรได้หมดโดยสาคัญมันทาลายพลังของกิเลส กิเลสมันมีพลังนะอย่าดูว่ามันไม่มีพลังนะมันเล่นงานคุณมากี่ชาติแล้วชาตินี้ก็มันก็มีพลังอยู่ในตัวคุณย้งไหมดมันก็ยังมีพลังอยู่นั้นนะหลายตัวคุณเจอมันเข้ามันมาเต็มพลังงอนมาคุณสู้มันไม่ได้สักทีอ้มันชนะขึ้นมาให้ได้นะถ้าไม่เช่นนั้นมันก็แพ้มันตลอดกาลนานไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติก็จะแพ้ไม่รเรื่อจบเรามาศึกษาข้อสองเอาจริง ต้องจริงๆนะอัตมาเคยสอนเธอแต่ต้นๆมาสอนอัตมาจำได้าามาเผยแพร่ธรรมะสอนต้นๆว่าธรรมะนี่ขาดการเอาจริงไม่มีทางสาเร็จขาดการเอาจริงไม่มีทางสาเร็จเขายืนยันไม่มีทางสาเร็จขาดการเอาจริงเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุธรรมมีปัญญามีอะไรเข้าไปเรื่อยๆนะผ่านสังโยชนึนงสังโยชนสอง รู้จักสักกายะจับตัวตนสักกายะได้โอ้ยรู้ดีสักกายะโอ้โหชัดเจนใช่ตัวกิเลสแต่ก็ไม่เอาจริงอยู่กับมันเล่นกับมันเอ็นดูมันเราหล่อแหละและหลวบๆคลำๆเลยนลีหัวหวกับมันอยู่ไม่เอาจริงไม่พยายามประหารประหารมันจริงๆเลยด้วยประหารห้านี่แหละมันก็ไม่มีทางที่ะจะ ตายไปได้ไม่มีผลเป็นแค่มักแค่ได้แค่สักกายะกะบพิจิกิจฉาก็ะพนไปแต่ไม่พ้นปรามากไม่พ้นจะต้ตองต่อ ง, องูปลูคลำคๆจับจับ จ, บจดจดเลาะเะและเล่นเล่นหัวหัวมันไม่จัดการมันจริงๆะมันไม่ทำ มันไม่ทําการประหารจริงต้องเอาจริงแม้แต่ทางโลเกียเราจะทํางานนั่นงานนี้ถ้ารเราไม่เอาจริงมันก็ไม่สําเร็จไม่สําเร็จนี่ก็รู้ ร, รู้กันโดยปริยายไม่ต้องบรรยายมากก็ดูอยู่แล้วเพราะคําว่าเอาจริงนี่จึงสําคัญจึงสําคัญมากการศึกษาจะผ่านความสําเร็จได้ต้องต้องเอาจริง เมื่อเอาจริงแล้วแล้วก็สามารถที่จะการศึกษาเจริญโดยทั้งศีลสมาธิปัญญาคือหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดจะปฏิบัติแล้วเราก็ปฏิบัติให้เกิดถึงจิตกายกรรมวัจีกรรมแล้วก็มีมตโนให้จิตมันเกิดผลเมื่อจิตเกิดผลได้มันจึงจะสำเร็จถ้าจิตไม่เกิดผลยังไม่ถือว่าเป็นความสำเร็จของ ธรรมะหรือศาสนาจิตมันอยู่ที่ข้างในข้างในแล้วมันจะทรงไว้ข้างในธรรมะจึงอยู่ตัวข้างในธรรมะจึงอยู่ที่ตัวจิตนะธรรมะมันไม่ออกมาอยู่กับหินกับดินงกระปูนหรอกธรรมะ uh, มันไม่ออกมาอยู่กับหินดินปูนธรรมะมันอยู่กับจิตทรงไว้ซึ่งธรรมะ ทรงไวจะทรงไวตรงไหนไม่ได้นะอกจากจิตแล้วจิตมันจะออกมาเป็นกายกรรมมีธรรมะวจิกรรมเป็นธรรมะจิตมาก่อนมโนปภังกรมธรมามโนเสถามโนวมยาเนียนะเพราะนั้นธรรมะก็คือจิตกรรมก็คือจิตจิตนิยามยและกรรมนิยามธรรมนิยามเพราะคนที่มีจิตนิยามแล้วแล้วศึกษาจนกระทั่งสามารถรู้จัก กุศลอกุศลของกรรมกุศลอกุศลของธรรมะแล้วก็รู้ว่ากุศลอกุศ ล, ศลขั้นโลกิยะขั้นโลกุตระจึงทํากรรมอันเป็นโลกุตระทํากรรมอันเป็นธรรมะส่งขึ้นสรงไว้ส่งขึ้นทรงไว้ส่งขึ้นทรงไว้ยิ่งแข็งแรงเป็นธรรมะที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจากคนผู้มีภูมิปัญญาและมีการกระทําจริง ปฏิบัติจริงได้ผลจริงมันก็สรงขึ้นอย่างลงตั้งลงตั้งลงตั้งล ง, ล ง, ล ง, ลงตกผลึกตกผลึกตกลกเข้าเป็นแก่นเป็นสารเป็นแก่นนั่นเขานักเขานี่อัตมาเอานามมารรมอธิบายเป็นรูปธรรมเป็นเหมือนกับจิบได้ต้องได้เลยนะที่พูดเนี่ยเชื่อว่าเข้าใจแล้วเราต้องทำอย่างนั้นถึงจะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ทำอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างนี้หรอก มันไม่มีภาษาอื่นที่จะไปอธิบายหลายๆนัยยะนักหกรอกนะมารสามารถที่ทำได้จนกระทั่งได้ผลของไตรสิกขาสิกขาสามเมื่อศึกษาแล้วเอาจริงครบไตรสิกขาเกิดผลได้ไอ้ผลที่จะทำนั้นไม่มีอื่นเลยนอกจากการรจัดกิเลสสำคัญ ไอ้ข้างนอกนี่มันจะมีการการทางเทคนิคปลูกข้าวเป็นทําอะไรเป็นอะไ ร, ต, รต่างๆนานาเป็นอะไรก็เถอะมันเป็นอาศัยงานทำงานกับสังคมไปช่วยเหลือเฟือไฟกันพึ่งพากันไปเลี้ยงดูเลี้ยงอะไรไกันไปต่างคนต่างช่วยงานช่วยการเพื่อจะยังชีพยงัยงหมู่กลุ่มอยู่เท่านั้นเองแต่ผลที่ชัดเจนและสิ่งประโยชน์แท้ที่จะได้นะี่คือกิเลสเราต้องนําให้ลดนี้ได้ มันทําไม่ลดได้กิเลสมันดับลงดับลงเราก็มีกิเลสดับนิโรธแล้วเราก็หลุดพน้นหลุดพ้นจากวังวนนั้นหลุดพ้นจากภพนั้นหลุดพ้นจาก น, นั้นได้จากการศึกษาสามปฏิบัติได้มันจึงจะเกิดวิมุติและก็เกิดปัญญารู้จักวิมุตรู้จักว่าทำถูกต้องกิเลสหมดจริงก็เป็นวิวมุตติยานทัศนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ตัวปฏิบัติท่าน ขานได้ศีลสมาธิปัญญานึือธิจิตอธิศีนอธิจิตที่ปัญญาส่วนอธิมุตหรืออธิปัญญานั้นว่ากันต่ออธิญานอิมพุทธยานทัศนะก็เป็นผลพลอยผลที่เกิดจึงเมื่อทำสามตัวนี้สําเร็จผลก็เกิดเมื่อเอาจริงผลเกิดแล้วทีนี้เราก็สืบสารต่อเนื่องต่อเนื่อง นะสืบสานต่อเนื่องกันไปมีคนรับช่วงต่อเนื่องขยายผลเราได้คนหนึ่งอย่างพระพุทธเจ้าได้องค์นึงถึงเก็มาแตกแยกเผล่แผ่ต่อขยายออกไปเรื่อยเรือยรืเรื่อ ย, อ ย, อยมันจึงจะเกิดกลุ่มหมู่เกิดความสัมพันธ์ประสานกลุ่มต่อไปเรื่อยเรืเรื่อ ร, อเรอืเป็นจากกลุ่มเป็นเครือข่ายจากเครือข่ายเป็นเครือแห่อะไรพวกนี้เป็นต้นมันก็จะ ประสานกลุ่มก็ไปเรื่อย ๆ, ๆมันจึงจะมีพลังรวมที่จะไปช่วยกลุ่มนอกๆที่เขาไม่รู้อินโนอินเน่หรือว่าเขายังมีจำนวนปริมาณอีกมากแล้วก็ถึงจะไปเชื่อมขยายผลต่อไปได้ขยายงานต่อไปได้เรื่อยๆเสร็จแล้วก็ครบเครื่องเผยแพร่ขยายงานไปแล้วก็ต้องเผยต้งแพร่ทั้งเผยทั้งแผ่ออกไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ จนก็ตทั่งใช้ชื่อรวมของโลกเขาว่าการตลาดการตลาดก็จะมีผลซึ่งกันและ ก, กันตลาดคือที่ซื้อที่ขายที่แจกที่จ่ายที่แลกที่เปลี่ยนที่ให้กันและกันตลาดต้องมีวัตถุต้องมีอะไรที่จะไปจ่ายกันแจ ก, นแกกันแลกกันถ้าไม่เป็นวัตถุก็แลกแรงงานแรงงานตลาดก็ได้ ไม่มีอะไร แ, รกแลกก็แลกความรู้ไม่มีอะไรแลกก็แลแกความรู้ไม่เป็นวัตถุไม่เป็นแรงงานก็เป็นแลกความรู้กันตลาดก็แลกกันไปแลกกันมาก็คือเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันมนุษย์เราทำเป็นสัตว์เดรัจฉานมันทำมันก็เก่งมีบ้างน้อยมีบ้างเหมือนกันแต่น้อยสู้คนไม่ได้ คนทุกวันนี้การตลาดเก่งมากแล้วขยันนะขยันหาแท็ติกหากลเม็ดเด็ดปลายที่จะทาการตลาดให้ได้เปรียบเออให้ได้เปรียบแต่การตลาดของบุญนิยมนั้นอาตมาดูมันจาได้ว่าอธิบายไปแต่ครั้งแรกแล้วใช่ไหมการตลาดบุญนิยมจะไม่เหมือนการตลาดของโลกี้ การตลาดของบุญนิยมนั่นเป็นการตลาดที่เอาไปเผยแพร่นั่นแหละเอาไปเผยแพร่ขยายงานเพื่อเผยแพร่เพื่อแผ่ผู้อื่นไม่ใช่ว่าเป็นการตลาดจะไปเอาประโยชน์ไปเอาเปรียบเอารัดจากคนอื่นเขามันคนละความมุ่งหมายมันคนละแนวคิดมันคนละประโยชน์เลยเป็นประโยชน์ท่านแท้ๆเลยการตลาด แต่การตลาดของโลกี น, น, นกี่เป็นประโยชน์กูเป็นประโยชน์กูอย่างให้ที่ที่มันเก่งเหลือเกินการตลาดขณะ น, นี้นี่นะมันชื่อว่า Google Google โอ้โหมันเหมือนกับมันให้นะ Google นเหมือนเอาฟรีทำอะไรได้หมดเลยโอ้โหแต่ตอนนี้มันรวยเละเลย กูเกิลเนี่ยไม่รู้มันเก่งยังไงอแต่มาไม่เป็นเลยนะวิธีที่มันหาเงินแบบเนี้ยมันเก่งจริงนะรวยมดเลยมาซื้ออะไรแหลกมดเลยตอนเนี้ยซื้อซื้อคนซื้อคนที่เก่งๆซื้อกิจการซื้อนอนซื้อซื้อแหลกเลยนะมันจะซื้อกิจการของไอ้ทางเทคโนโลยีสูซื้อหมดรวยไหมรดมันโอ้โหมันระดับโลกจริงๆนั่นะกูของทางโลก หรือว่าอาการตลาดของทางโลกวิธีการตลาดของมันเนียน ez, จริงๆเลยอัตมาค่าไม่ออกว่ามันได้เงินยังไงวะกูเกิลก็เราขอใช้มันฟรีทุกอย่างเราไม่ได้ให้มันเมืม่อไหร่วะ เ, เราว่าเราไม่ได้ให้มันนะเนาะแล้มีแต่ดูฟรีกดฟรีทั้งนั้นเลยเออต้องไหมเนีน่ยฮะได้เยอะๆแล้วมันเอาตังค์เอาทรัพย์สินไปซื้อของซื้อเข้ามาจ่ายจะจ่า ย, ยางไง คอนเน็กชันเฉยๆมันก็ไม่ได้อะไรนี่มันก็ได้แต่การเชื่อมโยงมีมีมวลเฉยๆมวลมก็อยู่ต่างคนต่างอยู่คุณก็ต่างอยู่คุณใช้งานเขาอะคนใช้ของมันอะกูก็คุณให้ไปให้อะไรเขาอ่มันเนียนจริงๆมันนึกไม่ออกเลยนะมันมีอะไรมีโฆษณาใช่ไหมโฆษณามันจะได้อะไรนั่หนาเราไม่เด็กไปใช้ ไปใช้ไปใช้อะไรบริการการโฆษณาเขาเลยรเราไม่ได้ไปใช้เพราะว่าเราเองเราลุดวงจรของพวกนี้มันจะโฆษณาหัวแตกงไงเราก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันไม่เหมือนทางโลกเขาจํานวนมากในการเข้าดูมันก็ไม่ได้เกิดการเป็นรายได้ของเขาเขาได้ค่าเข้าดูตรงไหนล่ะเราไม่ได้จ่ายค่าเข้าดูจะไม่ได้ค่าไฟฟ้า จะเดียวค่าครั้งกดเมื่อไรแต่เสเมบนนั่นก็ไม่ได้มีนี่ววนนนก็มีสิอ่ะมันมีแน่ล่ะเอาเอใครไปสิเอาความตอบนี้ก็รู้ตั้งแต่นานแล้ว ล, ลุง ใ, ใครโฆษณานะ่ะใช่นั่นสิมันยังไม่การโฆษณาอะไรมันนั ก, กวัาหาคือเรานึกไม่ออกตรงที่ว่าเราเองเรเป็นพวกบุญนิยมเราไม่ก็ไปเกี่ยวข้องกับโฆษณาเท่าไหร่เออ เราเราก็เลยไม่รู้ว่าเอมก็มันไม่ได้จะกล่าวนิวาเพราะเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยเราไม่ได้ใช้บริการการโฆษณาของเขาเพราะว่าเราไม่สนใจเรามันพออยู่แล้วเราไม่มีเราไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยากจะได้อะไรเพิ่มอ่ะเราก็ไม่เห็นจะต้องไปค้นขวาาไปสอหาไปเอาดูเออมันมีอะไรให้เราซื้อมัง้งอันนี้อะไรน่าสนใจมังเราก็ไม่คยมียมา มันก็หลอกเขาไงว่ามีคนเข้าไปใช้เยอะมันก็เอาจํานวนคนไปใช้เยอะเนี่ยแล้วมันก็ไปเดาไม่ได้ไอ้คนที่ใช้คนนี้เนี่ยมันสนใจสินค้าตัวไหนบ้างมันไม่รู้หรอกไม่รู้คลิจกจ่ายจำนวนกิ๊กก็คุณไปรู้เลยมันบอกชื่อเราว่าคนไหนกิ๊กก็บอกชื่อลงไปคนไหนกิกก็บอกชื่อลงไปอยู่ประเทศไหนบอกไปไงั้นเด้อน่ะ นั่นแหละนัน่นแหละมันวนไปวนมาก็รู้อยู่แล้วคําตอบที่คุณตอบว่าอาตมาอยากได้คําตอบใหม่กับ น, นี้อแต่มันรวยยิ่งมันได้เงินได้ทองอะไรกันนั ก, กาัาโฆษณาคนก็มาเชื่อมันแล้วก็ได้มากมายนั่นฮะค่าโปรแกรมทําไมเราจ่ายด้วยกับค่าโปรแกรมคือเราเนี่มัน มันหลุดวงจรมันอยู่นอกวงจรของโลกีเขาอะ่ะหลายอย่างเราเลยกินฟรีเราเคยไม่รู้เลยว่า <c oughs> เฮ้ยแล้วมันเอาเงินมาจากไหนวะ <c oughs> คือเขาเองก็ไม่ได้จ่ายมันอะ่ะเราหลุดจากวงจรที่ <c oughs> เหมือนกับที่อาตมาบอกแล้วพวกเรานี่นะหลุดพ้นจากวงจรโลกีอย่างน้อยนี่คุณไม่เป็นไม่เสียดอกเบีย้ยไม่ต้องไปเสียปันผลไม่ต้องไปเสียดอกเบีย้ยให้ข้างนอกเขาเลยคุณไม่ไปเล่นหุ้นคุณไม่ไปเล่นอะไร ประกันชีวิตคุณไม่ไปไปไ ป, ไปเสียดอกเบีย้ยในการกู้นี่ยืมสินจากข้างนอกเลยคืออะไรแต่ก็แกล้วแต่วิธีการของทุนนิยมเขาโอ้โหนาน า, นาสารพัดวิธีหลอกให้เราไปไปร่วมในวงจรกิจการของเขาและเราก็ถอนตัวมาถอนตัวมามาอยู่ของเราเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ถูก พวกนั้นดูดอะไรเราไปเลยแล้วเราก็เลยไม่รู้เรื่องเลยเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจอแล้วก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่าเออมันได้มายัางไงเพราะเราคิดไม่ออกเพราะเราไม่ไม่ไมไมฉลาดแล้วไม่รู้แล้วว่าวิธีการเพราะการตลาดเขามันทุกวันนี้เนี่ยจึงอือมันเนียนมันเก่งจนกระทั่งอาตมาก็อย่างเงี้ยก็ยังงงงหลานอาตมาจบวิศวะทางไอ อ, อคอมพิวเตอร์เนี่ยสองคนเลยลูกของบัวบูชาก็ใช่ยลูกของกิ่งรักก็ใช่ยแล้วเขาไปตั้งบริษัทเองส่วนตัวนะหารายได้ k b บมตั้งแต่อายุ20่สิอาตมาก็งงมันหารายได้อย่างไงว่ามันทำไอ้เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมันได้หารายได้ได้อย่างไง อาตมาก็ไม่รู้จนทุกวันนี้ไอหลานสองคนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้เลยว่าหากินยังไงก็ไอคอมพิวเตอร์ก็ทําันก็ทำอะไรไม่รู้สิอาตมาก็นไม่ออกมันทำอะไรได้บ้างแบบไหนทำโปรแกรมทำอะไรไม่รู้สิอะไรอไมั่งไม่รู้ไม่รู้เรื่องอาตมาไม่รู้นอะร่องคอมพิวเตอร์ยังไม่มีไม่ภาสีภาษาอะไรด้นะ เอาละเนีอาตมาขยายความทั้งเรื่องว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยการตลาดเนี่ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่ครอบครอบคร อ, อ, อบคลุมกินกินแถวกินแนวไปหมดโลกเลยคนหลุดพ้นจากพลังพลังลุดของแม่เหล็กวงจรพวกนี้หลุดพ้นได้เนี่ยยอดเยี่ยม อย่งอาตมานี่ถือว่าหลุดพ้นหลุดพ้นสนิทนะอาตมาว่าอาตมาสนิทเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์นี่ก็ไม่เคยมีทางที่จะไปจ่ายค่าอะไรของมันเลยใช้ฟรีเลยเพราะอาตมาไม่ได้ไปแตะต้องอะไรที่ต้องไปเอาของมาพิจารณาใช้เขียนหนังสือใช้ดูอะไรอะไรเท่านั้นไม่มีเลยนะใช้ฟรีเลยเนียนตรงนี้เนียนตรงว่าคนที่ว่ารู้สึกว่าฟรีเนี่ยเนียนตรงนี้ ฮะรียังไงทำไมอ่ะแล้วคนไทยไม่เสียไทยไปเอาโปรแกรมเขามาได้ไงผีเยอะ <c oughs> โอ้ระเทศไทยเลี้ยงผีเว้ <c oughs> ระเทศไทยเลี้ยงผีฮะใช้ผี <c oughs> เอามาเยอะโอ้ เอาเอาละนี่ก็ขยายความให้ฟังว่านี่เป็นดิเดตแทคกติกของมนุษย์ชาติการตลาดแต่ของเราในไม่เราซื้อการตลาดของเราก็คือเพื่อที่จะขยายผลไปให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่าที่เรามีแรงเท่าที่เรามีเมตตามีน้ําใจที่จะเอื้อไปได้เอื้อมเอื้อเกื้อกว้างนะเอื้อมเอื้ อ, อ, อไปเกื้อกว้างขึ้นตามที่เราจะมีประสิทธิภาพ มีสิ่งที่เราจะไปเกื้อเขาไดนะ้อุดนุ่นเ อ, อื้อเฟื้อเจือจานเขาได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งจิตอย่างนี้นะมันต่า ง, างกันกัจิตโลกีจิตอย่างนี้มันเป็นจริงนะจิตอย่างนี้เป็นจริงพวกเราในพูดไปก็คงจะเข้าใจแล้วเราก็ได้ปฏิบัติกันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยมันใจจริงจริงๆยังไงนะมันก็จะเป็นจริงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเลย และคนที่มีใจอย่างนี้จริงๆนี่นะอยู่ในสังคมโลกก็มีการตลาดแบบนี้แล้วก็เผยแพร่แบบนี้ขยายงานออกไปแบบนี้นะก็จะเกิดกลุ่มประสานสัมพันธ์กลุ่มได้ได้คนที่จะเราช่วยเหลือเขาเราเอาประโยชน์จากเขาน้อยส่วนเขาจะกระตันยุกตวเวทีเขาจะเกื้อกูลเราตอบเขาจะช่วยเรามามันก็แล้วแต่ เราไม่ได้ไปบังคับเราไม่ได้ไปมีเกณฑ์ที่จะไปกดดันจะไปไปหาทางสิ้นยิงสัญญาให้เข้ามาทำนเราก็พยายามอย่างเก่งแล้วก็สอนเขาแนะนำเขาให้มีจิตใจที่มีกตัญญูกตวเวทีมีเกื้อกูลกันอย่าเอาเปรียบนักมันมันเป็นมันไม่ดีมันเป็นนี่เป็นนี่ทางธรรมมันเป็นนี่ทางธรรมอันนั้นไม่มีใครเขารู้หรอกมันเป็นอาจินไตมันเป็นนี้จริงๆก็ามาตอบ มันโกงกันมันก็ใช้หนี้ใช้สินกันขนาดมันโกงมันอะไรทุกวันนี่แต่ชาติแล้วชาติเรานี่มันไม่รู้ตัวมันไม่รู้แล้วมันก็ไม่อยากไปใช้หนี้หรกคนเราอ่ะใครมันอยากไปใช้หนี้แต่มันก็ต้องใช้อ่ะมันกรรมอ่ะของจริงอ่ะคุณเป็นหนี้คุณก็ต้องใช้อ่ะถ้าเป็นคนเออชักดาบได้แต่เป็นสัจธรรมชักดาบไม่ได้หรอกเป็นผลวิบากมันชักดาบไม่ได้ มันเป็นจริงอ่ะนะเพราะงัน่อบอกว่ามันก็เราสามารถที่จะทำางนี้ได้เราก็ต้องเข้าใจและต้องเอาจริงและต้องศึกษานะนี่ก็อธิบายย้อนไปย้อนมาให้ฟังอาศัยอะไรที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก yeah, ็ไปที่ดูที่หน้าสิบเก้านะ วัฒนธรมที่ดีหรือวัฒนธรรมบุบนิยมที่จะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ6ประการหนึ่งปัญญาที่ดีต้องกํากับว่าปัญญาที่ดีเพราะว่าคำว่าปัญญาทริงๆมันเป็นดีอยู่แล้วแต่คนไปเข้าใจผิดเอาปัญญามาใช้ผิดที่จริงมันมีแต่เชกาแล่ไมาใช้เชกากันทั้งนั้นมันใช้ปัญญาน้อยปัญญาคือความฉเฉลียวฉลาดที่ไม่มีกิเลสหรือกิเลน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลง ไม่ใช่วิกฤตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฉลาดแล้วเอาเปรียบ ม, มากขึ้นเห็นจะตัวมากขึ้นไอ้นั่นใช้กาแต่คนทำมาใช้กาไม่ติดตลาดใครก็มาอยากเป็นเอามาชัยใครก็ไม่สนใจดีไม่ดีจะชกปากเอาโมเดกชั้นเจกาใชา้โกนี้ได้เรื่องเพราะงั้นเลยมีแต่ปัญญาแล้วมันก็กลายเป็นคําที่แยกไม่ออกว่าแลว้วมันฉลาอย่างไงกันแน่อาตมาขอขาอยายคําคว่าฉลาดให้ชัด เคยพูดไปแล้วล่ะฉลาดนี่เป็นภาษาไทยมันมากรอนมาจากคำว่าชฉลยยตนะเพราะคนเรานี่นะมันจะสำเร็จอะไรแล้วแต่เลยถ้าไม่มีหลักเฉลยยตนะเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ในความรอบรู้มันจะรอบรู้ด้วยตาหูจมูกลินกายใจมันจะรอบรู้ด้วยอย่างนี้ เพราะฉะต้องมีผดสะต้องมีการศึกษาเกิดจริงเป็นจริงแล้วก็แก้ไขปรับปรุงอันนี้ควรไม่นี้ไม่ควรอันนี้สมมุติสัจจะอันนี้โลกุตระอันนี้ปรมัตสัจจะและอันไหนที่สมมุติว่าดีว่าชั่วและที่มันเป็นปรมัติมันเป็นโลกุตระที่แท้จริงนั้นดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่กิเลสก็ไม่กิเลสถ้ากิเลสก็ไม่ดีถ้าลดกิเลสได้ก็ดี นั่นคือดีชั่วของปรมาจา์อันอื่นนะ่ะไม่เที่ยงแล้วแต่สมมติอันอื่นไม่เที่ยงหรอกแล้แต่สมมติมันมีอย่างเดียวแหะประมาจา์นี่แม่นไม่มีอื่นหรอกลดกิเลสได้ดีกิเลสเพิ่มชั่วจะเรียกชั่วเรียกบาปเรียกเลวอะไรก็แล้วแต่่นกิเลสต้อไปตุลักมันเพิ่มขึ้นมาอะไรมันก็ชั่วมันก็เลวมันก็บาปตงนั้นนะ่ะ แต่ถ้าลดมันได้เมื่อไร่มันก็เป็นดีจะเรียกดีจะได้ ก, กุศลจริงๆต้องเรียกว่าบุญเพราะบุญเป็นตัวชำระกิเลสทากิเลสลดได้เมื่อไรก็เป็นบุญมว น, นั้นนั้นปัญญาที่สามารถรู้คือฉลาดทั้งหทวารเนี่ยเลยยตนะแล้วก็ต้องมีผัสส ะ, ะเมื่อไรเราก็อ่านานามมารูปออกนามมารูปคือธาตุรู้ มันจะขี้โกงมันจะสื่อสัต์มันจะโลภหรือมันจะหมดโลภมันก็อยู่ที่ตัววิญญาณนี่แหละธาตุวิญญาณนี่แหละตัวรวมรวมของขันหานี่แหละมันจะมีจริงอยู่ที่ตัวมันจะเอาเปรียบมันจะโกงมันจะไม่สื่อสัตว์หรือมันจะเอาโลภมันจะโกรธมันจะหลงอะไรมันก็อยู่ที่ตัวนี้นะเพราะงั้นจะต้อง เมื่อมีตาหูจมูกดิ้นกายต้องมีทวารจนกระทั่งมันเหลือแต่ใจใจจะเป็นอายตนะสองที่เรียนรู้ทีหลังได้เมื่อชํานาญทวาร น, นอกที่เป็นของหยาบ ก, ก่อนแล้วของละเอียดมันก็รู้ชัดมันก็รู้จริงเพราะในขณะหยาบมันก็ต้องมีตัวจิตตัวใจร่วมอยู่ด้วยเสมอพอจงกว่ากิเลสหยามันหมด ตัวจิตตัวใจไม่ร่วมเสมอเราก็ต้องอยู่กับมันเรียนกับมันรู้กับมันมันกระหาใจเราง่ายแต่คนเรียนข้างในใจโดยที่ร่วมไม่ชัดเจนอายตนะห้าข้างนอกไม่สัมผัสเลยมันรู้แต่ใจที่ละเอียดมันไม่ครบหรอกถึงแม้จะทำได้มันก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะมาสู้กับไอโอราริกาอัตตามันสู้กับตัวหยาบข้างนอกนี่ร้อมันร้อนมันแรงกันเยอะ มโนตาผู้ใดไม่ทําฉลยตนาหรือทําความฉลาดเนี่ยถ้าฉลาดแบบไม่รู้จักตาหูจมูกลินกายใจแล้วก็อ่านจิตที่มันเป็นตัวกิเลสได้และลดได้ฉลาดแบบลดกิเลสไม่ได้มันก็ไม่ฉลาดปัญญามันก็เป็นฉลาดเชโกอยู่ตนเชกาด้วยเชกะตา เชโกเป็นเอกภพเชก้าเป็นพระหูพจน์เชกัตตาเป็นคำนามนมันก็ฉลาดอย่างนั้นน่ะปุถุชนทุกคนจึงสร้างปัญญาจริงๆได้ยากต้องเข้าขั้นโลกุตระทึงจะเกิดปัญญาแท้มีความฉลาดทางทวารหก เมื่อผัดสะแล้วได้เรียนรู้กิเลสเกิดกำจัดกิเลสได้นั่นแหละเป็นบุญทําให้กิเลสลดฉลาดที่รู้แจ้งเห็นจริงว่านี่คือกิเลสนี่คือการกำจัดกิเลสนี่คือกำจัดกิเลสลดลงได้เห็นจริงว่ามันลดมันลดมันลดมันลดมันดับนั่นคือความรู้ที่รู้จากชลายตนะรู้จากของจริงรู้อย่างมีมรรคผล นี่คือปัญญาที่ดีนะคำว่าปัญญานี่อัตมาขยายความไปให้รู้ต่างๆนานาในปฏิจจสมุปบาทนะในปฏิสมุปบาทเนี่ยมันต้องผ่านอายตนะผัสสะจึงจะเกิดอายตนะแม้แต่ผัสสะเอง อายตนกตะก็ตามภาษาก็ตามแล้วก็เกิดสภาพขึ้นมาเรียกว่ากายโยหรือ ก, กายรวมประชุมเนี่ยมันเป็นภาวะมันเป็นสภาวะที่มันไม่มีตัวมันเองถ้าไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีภาษะถ้าคุณไม่มีรูปมีนามหรือว่ามีรูปกับรูปรูปกับรูปคุณก็มีไม่มีนามเข้าไปร่วมคุณจะไปรู้ได้ไงคุณก็ต้องไปร่วมรู้ว่าเออมันปรุงแต่งกันคุณจะไปรู้อย่างโงงเท่านั้นเอง มันก็ไปรูปรูปมันอยู่ข้างนอกคุณก็ไปรูปมันคุณก็เกี่ยวอยู่ตรงนี้คุณก็ไปเกี่ยวอันโน้นอีกทีหนึ่งซ้อนไอ้ตัวมันเองมันไม่รู้หรอกตัวมันเองมันปรุงแต่งกันยังไงมันสัพพันยังไงมันสังเคราะห์กันยังไงมันก็จัดการมันอยู่ทําการสังคตธรรมหรือสังขารตัวมันเองอยู่อย่าพืดหรือแม้แต่ดินน้ำฝนมันก็สังขารกัน มันก็เกาะตัวมันก็เสื่อมไปเหมือนกันนะรวมตัวเกาะตัวอิน้าไฟลมเหมือนกันจึงเรียกว่าพลังงานทางแม่เหล็กพลังงานทางไฟฟ้าตัวทาลายก็ไฟฟ้าตัวที่มันเกาะกลุ่มกันก็เป็นตัวพลังงานแบบแม่เหล็ก <Yeah. S 1> นี่เป็นอุตุนิยามทีนี้เมื่อเวลามีธากรู้ก็ไปร่วม รวมกันในองค์ประชุมที่มีธาตุรู้รวมจึงเรียกว่ากายหรือกา ย, อ, กายอยู่องประชุมหรือองค์รวมหรือสิ่งที่รวมกันอง์ประชุมองค์ประกอบรวมกันมารวมกันอยู่และต้องมีนามมาทําและมีธาตุรู้กันไปร่วมด้วยคําว่ากายนี่แหละจึงเป็นตัวที่ศึกษาธรรมมามาไ ม, ามา่ละเอียดตรงนี้กายไปแปลว่าแต่เฉพาะโครงล่าง ดินน้ำไฟลมมหาปุตตรูไม่มีน้ำก็ไปร่วมมันก็เลยขาดการรู้อายตนะทั้งหกเมื่อไม่มีอย่างนี้เลยขาดไปเลยห้าทวารก็เลยไปเรียนรู้กายคตาสติกาเดินย่างไปแล้วมันความเปลี่ยนแปลงของวัตถุเปลี่ยนแปลงของอะไรอะไรซึ่งท่านหมายให้รู้จักอสุภะ เห็นว่าไม่เที่ยงมันไม่กาะกุมก็ตลอดการมันจะต้องสลายไปอะไรนี้เป็นตน้นไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่ได้เข้าไปใจไปถึงกับความเปลี่ยนแปลงอันนี้จังทุกครั้งก็ไปเข้าใจแต่ว่ามันหน้าเบื่อหน้าชังหน้าอะไรแต่ไรมันสลายไปมันไม่ไม่เป็นตัวเป็นตนสช่แล้วไม่เป็นตัวเป็นตนมันก็ได้จะอนุมานมันก็ได้จะตักกะ ซึ่งใครก็เข้าใจได้มันไม่ใช่แล้วมันไม่อยู่เที่ยงแท้แล้วมันก็สลายมันก็สลายหายไปมันก็เปลี่ยนแปลงใครก็เข้าใจแล้วแต่ความเปลี่ยนแปลงของวัตถุนั้นมันไม่ใช่ตัวจิตเปลี่ยนแปลงจิตที่เปลี่ยนแปลงไปเดียวก็สุขไปเดียวก็ทุกข์นี่นมันตัวที่จะมันเป็นสุขมันอริยสัตว์อริยสัตว์ไม่ใช่ว่ามันสลายแยกธาตุมันเปื่อยมันเน่ามัน แตกแตกกันแยกกันมันไม่ใช่ตัววัตวถุตัวนามมาทำมันยึดนามมาทำมันชะละยะต น, นะเกิดจากตาหูจมูกิ้นกายไปเกี่ยวข้องกับมหาบูตรูปข้างนอกแล้วมันก็เกิดองค์รวมรวมทั้งนามและรูปเราจึงจะพิจรารณานามเป็นหลักแต่อาศายอายข้างนอกเพราะพระพุทธเจ้านั้น สอนให้รู้ความจริงที่ชัดรู้ง่ายรู้จริงเกิดมีรูปข้าง น, นอกมีมันเป็นองค์รวมที่ครบบริบูรณ์แล้วไล่ตัวกิเลสให้ชัดและฆากิเลสให้ถูกตัวเมื่อกิเลสหมดแล้วมันก็อยู่กับโลกได้อยู่เนื้อโลกเลยอันนี้แหละคือโล ก, กุตรรที่รัีิอื่นรู้ยากมากเลยแต่ในรัธถิพุทธก็ตาม มันเพี้ยนไปจนกระทั่งทุกวันนี้รู้ยากละคนมีบา ร, รมีบ้างพอจะรู้ได้คนไม่ีบา ร, รมีพูดพูดเธอยากมากเลยที่เขาจะรูะ้เมื่อเราสามารถที่จะรู้ตัวฉลาดตัวฉลาดเป็นเฉกาฉลาดเป็นตัวปัญญาเราเข้าใจแล้วนะแยกออกนวะฉลาดเป็นตัวเฉกาเนี่ยมันฉ ล, ล, ลาดโลกีฉลาดโลกโลก แล้วเาก็ไม่สอนกันพรอฉลาดเป็นปัญญาฉลาดชัดเจนรู้จักกิเลสกําจัดกิเลสได้ลดกิเลสได้เป็นปัญญานี่แหละตัวฉลาดยตนาหรือตัวทวารหเนี่ยฉลาดเนี่ยที่กลายมาเป็นภาษาไทยว่าฉลาดเนี่ยมันจึงมีความรอบรู้หรือความเฉลียวฉลาดที่เป็นประโยชน์แท้จริงคือมัน พอตัดกิเลสได้มันก็ไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่ เ, เอาเปรียบใครมันก็ไม่เบียดเบียนใครเบียดเบียนตนมันก็หยุดไปด้วยในตัวแล้วมันก็ไม่เบียดเบียนใครมันจึงเป็นความประเสริฐอย่างแท้จริงจิตตัวนี้ยังมันกิจิตประเสริฐที่แท้จริงฟังดีๆนะอาตมาพยายามขยายความฉลาดที่เรียกว่าปัญญานี่ลึกซึ้งคุณจะไม่ได้ยินการอธิบายแบบนี้ที่ไหนหรอกในโลก เข้าใจไหมอาตมาโมเมไหมรู้ได้นะมันต่างกันไหมก็อที่รู้ไม่เกี่ยวข้องกับหทวารน่ะฉลาดไม่เกี่ยวข้องหกทวารอย่างฉลาดอย่าง Google เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับหทวารหรอกมันฉลาดเก่งจิปหายเลยโอ้การตลาดมันชวยทั้งอาตมางงงงมันได้ไรได้ไงวะ อัตมาไม่ได้ริยาเขานะั้นก็ได้รายได้มากเขาไม่ได้ริษยาหรอกแต่มันไม่รู้มันก็งงๆจริงๆตัวเองไม่ไม่ริยาอะไรไม่ไริษยาเลยเพราะเราเองได้ไม่ได้แล้วก็ไปไม่เจ้าต้องไปแข่งเขาทําไมริษยาเขาทำไม <c oughs> อ่าไม่ได้ไม่ได้ก็มไม่เป็นไรเท่าที่อยู่ขนาดนี้ก็มีสันโดมีพอแข่นี้ก็พอเป็นพอไปมันอาจจะฝืดๆบ้างมันอาจจะน้า ดีไม่ดีกับระตุกกระตักมันอะไรก็ เ, อเถอะมันก็ไม่ถึงเดือดถึงร้อนอะไรมันก็พอเป็นพอไปกลมกล ม, กล ม, กล ม, กลมแกมแกมนะแต่ก็เห็นว่ามันก็ก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นมันก็เป็นไปได้เออไม่น่าเป็นไปได้นะอย่างแต่ก่อนนี่นะอโศกเนี่ยพูดถึงเงินพัน ตั้งมูลนิธิธรรมสันติครั้งแรกมีเงินพัน0บาทตั้งไม่ได้สักทีพระมนต้องไปลงเงินเขาจะต้องมูลนิธิต้องลงต้นเริ่มต้นแสนบาทโอยเมื่อไหรน่นอมันจะมีแสนบาทพ5 0 0นี่เขาจากอาจารย์องุน่นมาลิกให้ไวพห้1 5 0อบาท อยู่นั่นแหละไม่รู้กี่ปีไม่ได้ต่อสักทีจนกระทั่งมาพบกับหม อ, กหมอโกศลที่สมุดประการแกกินมังสวิรัตมาเจอพวกเราโอ้ชอบใจใหญ่เลยหมอโกศลมาทาบุญแล้วได้เพื่อนแต่ก่อนก็แกเป็นหมอแกกินมังสวิรัตอยู่ก็ไม่มีเพื่อนเลยแกมาเจอพวกเราโอโหแกก็ได้เพื่อนเลยคบหากันไปโอ้ยาวนาน แกขายที่ได้แกเลยมาทาบุญเลยได้ตั้งมูล น, นิธิแกขายที่ได้เป็นเงินแสนมาทำบุญเป็นแสนเลยได้ตั้งมูล น, นิธิมูลนิธิตอนแรกๆก็มาหาคนทำเพิ่มยากมันทำบุญแสนก็นไปจดทะเบียนเสร็จแล้วเราไม่ใช่มูลนิธิต้องรักษาต้นทุนนะไอ้ไปจดน่แสนนะพอไม่ช้าไม่นานมันก็เหลือรอย เพราะเอามันมาใช้เอานิติมาใช้โดยทีมูลนิธิเขาไม่ให้ลดต้นทุนเขานะเขาไม่ให้ลดต้นทุนนะมูนิธิแต่ของเราเนี่ยไม่ฟังเสียงเราใช้แหลกเลยไม่หมดก้นจริงๆเลยก็ดีแล้วเพราะมูลนิธิของประทรวงบางครั้งลดสี่ร้อ400บาทมันก็พอทูถ่ยพูดได้เป็นเงินร้อยเงินพัน เงินหมืน่นโอ้โหกว่าจะได้พูดการเป็นหลักหมืน่นกันจริงจริงโอ้โหทำไปกว่าจะมีกิจการกว่าจะมีอะไรแต่ออไรมีเงินหมุนก็หมุนได้หมืน่นโอ้กว่าจะหมุนได้แสนโอ้จะประคุณเลยหลายปีเดี๋ยวนี้จะประคุณไม่อยากจะเซษเลยไม่พูดถึงหลักร้อยล้านกระบุนแล้วส0ล้าน20ี่สบล้านพูดเฉยห้สิบล้านหกสิบล้านพูดเฉยเลยเนี่ย โอ้โห oh แล้วมันก็เป็นไปได้พอเป็นพอไปมีเงินนุนตั้งห0สิบล้านหกสิบล้านดูสิกล้าทำได้ขนาดนี้อุบอศสโอ้โ oh หแต่อย่าทำเป็นเล่นไปนะเนี่ยอย่าประมาทนะไม่ได้นะทำไปทํทำห า, หามไม่ได้ต้องหาใช้คืนก็ให้หมดภายในวันเนี่ย ถ้าเรารอดตัวเหมือนย่างกับพระธรรมสุรอดได้มันก็สบายเลยเราก็ได้มีแต่นั่งได้ได้เพิ่มเขามากก็แจกจาก่ายจิวจานพี่พี่น้องๆ้องไปแสนสุขสบายใช่ไหม อ, อย่างพระธรรมสุขเนี่ยอาตมาว่ามันรอยตัวรอดตัวสบายแต่ก่อนอาตมาก็ต้องน้นเข้าต้องอะไร อ, อะไรเข้าอยู่โอ้โหแรกๆก็เหมือนกันกับที่นี่แหลพะพอเป็นหมู่ชนแรก <laughs> อตุ้ยกันไปตุ้ยกันไปแต่ศีสาสวกอัตมาไม่ได้ไปช่วยเขามากเท่าไหร่มีปทุมสุราชฐานี่แหละซองแห่งนี่แหละนอกนั้นก็ไม่ค่อยจะไปได้ช่วยเขาเท่าไหร่แทบจะไม่ได้ช่วยเลยก็มีชุมชนหลายชุมชนไม่ได้ช่วยเลยอัตมาไม่ได้ช่วยเลยมีแต่เข้ามาช่วยอัตมา <laughs> ซึมันก็เป็นไปนี่ก็ขายายความให้ดูว่านี่คือลักษณะของสาธารณโภคีหรือลักษณะของ บุญนิยมมันมีใจจริงมันมีการัำพันธ์เกือ้อกูลช่วยเหลือมีสงเคราะห์สังขหะมันเป็นอุดนุนเจ อ, อจานกันเป็นไปซึ่งทุกวันนี้มีของจริงพวกนี้เนี่ยพิสูจน์ยืนยันในความเป็นจริงของมนุษยชาติและสังคมและถ้าเราแข็งแรงยิ่งขึ้นจิตใจเราตดกิเลสลงได้เออเฟือมากขึ้นขยันมันเพียนแข็งแรงเอาใจใส่ สร้างสรรค์มากขึ้นก็มีผลผลิตมีแรงงานมีอะไรอะไรจะจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเราก็จะได้เกือ้อกูลสัพพัดไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นสัจจะอยู่อย่างหนึ่งว่ามันดีมันไม่มีเลวเลยคุณสมบัติที่เราทํากันอยู่กับสังคมกับมนุษย์ชาติเนี่ยมันไม่มีเลวมันจะดีถ่ายเดียวใช่ไหมเพราะมันไม่ได้ไปบีบเบียนเขาอ่ะมีแต่เกือ้อกูลกันอ่ ถ้าเรายิ่งสนิทใจนะเราไม่ไปโลภโมโทสนานอะไรใครจริงๆนะเขาจะให้เขาก็ให้มาอย่างบริสุทธิ์ใจคอยอย่างศรัทธาจริงๆเราไม่ใช้เล่หเหลี่ยมอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าน่นะพรหมจันทร์นี้เราไม่ได้ทําเพื่อหาบริวารไม่ใช่ทาเพื่อให้คนมานับถือไม่เพื่อต้องการลาบสักการะสรรเสริญไม่ต้องการให้มาเข้าใจว่าฉันประเสริฐเลิศเลยมีอํานาจยิ่งใหญ่เก่งอะไรไม่ใช่ ทำเพื่อให้รู้ให้คลายละนายคลายเราแสดองออกไปก็เพื่อละนายคลายแจกจ่ายเจอจานไปก็เพื่อเราได้ละนายคลายให้ <c oughs> ให้ผู้อื่นได้ละนายคลายอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองไม่มีตัวอำนาจที่มากดดันเราคือกิเลส เราจะเห็นจริงแล้วอ๋อมันจริงอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะการอยู่อย่างนี้สบายใจอยู่อย่างเป็นผู้ให้เขาไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่เอาอะไรใครยิ่งมีองค์ประกอบของสังคมเนี่ยอย่างเนี้ยสาธาะะรณโภคีดีเกื้อกูลชื่อยเหลือกันอยู่แล้วก็ทํางานเราก็ไม่ได้ขี้เกียจเราก็ทํางานหน้าที่ของเราที่เป็นหน้าที่สําคัญหน้าที่จําเป็นที่มีประโยชน์ยิ่งเราก็ทําไปท่าม เมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพี้ยนสาหะปริยะไปจนมันเพียนเป็นธรรมดาธรรมชาติไม่รู้มันขยนันใครก็บอกว่าโอ้ยขยันจังเลยหยุดม้างเหอะไม่เห็นขยันตรงไหนเลยก็ทําอย่างเงี้ยทาไม่ได้หยุดอยู่างเงี้ยไม่เห็นขยันตรงไหนเลยแค่ทําไม่ได้หยุดแค่นั้นเลยขยนันขยันอะไรใช่ไหมมันมันยังงั้นจริงๆ ก็มันดึงให้หยุดก็ไม่ค่อยหยุดไม่ได้แกล้งนะมันไม่ได้แกล้งจริงๆอย่างอัตมาเนี่ยโอโหคนนั้นก็จะดึงให้หยุดคนนี้ก็จะดึงให้หยุดอัตมาเออเรานี่มันมันไปชดเขาหรือเปล่าไม่ได้แกล้งไม่ได้ไปชดนะแล้วเห็นว่างานมันก็น่าทำมันทํามันก็ดีอ่ะมันมันก็ไม่เมื่อยจนกระทั่งว่าสังการร่างกายมันงอนอย่างนี้ก็รู้ตัวถ้าเผือว่าสังการร่างกายมันไม่ไหวอย่างเงเราก็ลองพัก อันนี้เรารู้ตัวเราว่าเราเองเราไม่ได้ทรมานสังเครายร่างกายเราโดยที่เราไม่มีกิเลสเขาไปตัวถ้าคุณมีกิเลสคุณอาจจะมันมันมันมันหลอกนะกิเลสมันหลอกตัวเองนะเฮ้ยหน้าพักแล้วพักเธอพักเธอไปรีแลกซ์ไ ป, relax, ไปพักผ่อนไป อ, อ น, นุนี้เปลี่ยนแปลงอะไรจะบทเธอกิเลสนี่มันกะซิบด้วยสายลม เป็นเสียงกระซิบเก่ง เ, เก่งที่สุดเลยเยิ่งกว่าทักษิณเลยวขอให้ใหลวง ก, กระซิบที่หูคำเดียวโอ้โหทักษิณเนอพูดเขาไม่ได้ <c oughs> ยังกับเพื่อนกันเล <c oughs> เนาะ <c oughs> บางอาจจริงจ <c oughs> เนี่ยต่มาก็อธิบายให้มันละเอียดมันละเอียดให้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจนะสรุปแล้วปัญญาดีเมื่อมีปัญญาดีแล้วก็ต้องความภาคเพียนบากบันที่ดีก็ย้ำแล้วหลายทีว่าความบากบันขาดไม่ได้ภาคเพียนจนกระทั่งมันเพียนมันขยันจนมันเป็นเองจนกระทั่งไม่รู้ว่าก็ไม่เห็นขยันตรงนั้นจะทำไม่หยุดเท่านั้นเองเขาบอกว่าพักไว้เดมันมากแล้ว ก็ไม่เห็นเป็นยังไงภาคเพียนบากบันที่ดีมีเหตุปัจจัยองค์ประกอบที่ดีเมื่อภาคเพียนบากบันเราทำมันก็จะเกิดเหตุปัจจัยด้วยเราไม่ต้องเรียกร้องหรอกไม่เรียกร้องหรอกยิ่งอยู่ในสังคมคนดีคนที่มีปัญญาปฏิปัิเขารู้เลยว่าเราทำดีเขาจะเข้าไปช่วยไม่ต้องเรียกร้องแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีบา ร, รมีและอะไรยังไม่ดีจริงแน่นอนเราก็ต้องขอแรงขอแรงขอแรงขอแร ง, อ, แรงอยู่นี่แหละ ถ้ามันมีบารมีจริงแล้วไม่ต้องขอแรงยากเลยมีแต่เขาจะวิ่งเข้ามาแล้วลกันไม่พอแล้วพอแล้วมากแล้วพอแล้วขนาดนี้ก็พอไม่เอาอีกแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆริงนะมันสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยประกอบมันจะเข้ามาผลที่ได้รับได้อาศัยที่ดีมันก็เกิดผลเกิดรวมกันเกิดร่วมกันทําเกิดช่วยก็ช่วยกันอ่านช่วยกันวิราะห์วิจัยช่วยกันเลือกเฟ้นด้วยตาม ตามสังคมตามภูมิปัญญามันจะรู้อะไรดีอะไรไม่ดีมันจะคุ้ยกันคัดเลือกจะช่วยกันกันกรองช่วยกันสังเคราะห์ช่วยกันสังขารเป็นไปได้เรื่อยๆนะก็ได้เกิดสิ่งที่อาศัยสิ่งที่เราจะมีอย่างพวกเรานี่อาศัยส่วนนั้นส่วนนี้อะไรนะแล้วก็มีกระจิดกระใจน่ะดูแลรักษาสมแซมช่วยเรือหรือสร้างขึ้น มันก็เกิดการพ้นทุกข์ที่วงเล็บบทที่ดีก็คือรล้ววงเล็บว่าอริยสัตว์วงเล็บว่าอริยสัตว์เลยนะพราความพ้นทุกข์ที่ดีมันจะเป็นการพ้นทุกข์จริงๆคันพ้นทุกข์อยากจะตบหน้าคนได้ตบก็หายทุกข์พ้นทุกข์ไอนี้ก็พ้นทุกข์นะแล้วอยากจะบำเบลกิเลสคุณก็ได้บำเบลกิเลสก็พ้นทุกข์ไอ้อย่างนี้มันมันยังไม่ดีแล้วยังไม่รู้ว่าพ้นทุกที่ดี พ้นทุกที่ดีก็คือกิเลมันลดลงไปทุกมันก็ลดไปตามหายไปตามนี่เรียกว่าการพ้นทุกที่ดีพกความยั่งยืนนานอย่างดีมันต้องเกิดได้อย่างแท้จริงประเด็นความยั่งยืนนานนี่แหละยืนนานจนกระทั่งถึงความเที่ยงแท้นิโรธมันยืนนานได้อย่างไร มันมีเหตุปัจจัยที่ชัดเจนเลยว่ามันรู้ทั้งปัญญามันมีปัญญารู้ความจริงว่าตัวนี้โรตเป็นอย่างนี้เมื่อมีนิโรธมันมันเกิดขึ้นหรือว่ามันลดละจางคลายจนนิโรธมันรู้ผลของนิโรธเรามันดีอย่างไงดีมันบาว่าง่ายมันไม่เป็นภาระมันไม่ยุ่งมันไม่ทุกข์อะไรจริงๆนะปัญญาที่ฉลาดมันฉลาดรู้ว่าเออมันมีทุกข์มันมีภาระไม่มีความวุ่นวายไม่มีความเดือดร้อนอะจริงๆแล้วมันเป็นประโยชน์อีก นอกจากมันไม่เดือร้อนมันเป็นประโยชน์ประโยชน์อะไรประโยชน์ให้คนอื่นประโยชน์ก็ประโยชน์ตนก็คือเอาให้ตัวกิเลสนี่ลดมันลดแล้วมันก็ยังไม่ปรไปตัวคนอื่นเลยประโยชน์มากมายประโยชน์อันดีงามด้วยช่วยคนอื่นอย่างดีๆไม่เป็นโทษเป็นภัยช่วยในสิ่งที่ดีๆตามภูมิปัญญาสิ่งไม่ดีเราก็ไม่ทําให้เขาไม่มีให้เขาไม่เอาพากันเลิกด้วยสิ่งที่ไม่ดีก็ค่อยเป็นประโยชน์คอยสิ่งที่ดีก็เป็นประโยชน์ไม่ไม่ดีก็ไม่เอาไม่ช่วยกันทํา ซึ่งมันเป็นสุดยอดแห่งความเป็นประโยชน์หรือมันสุดยอดแห่งความประเสริฐจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อทำได้แล้วพลังงานที่มันสะสมมันก็จริงปัญญาที่มันรู้ของจริงมันก็ควบคุมด้วยมันจึงเกิดความยั่งยืนทาวรมันเกิดความยั่งยืนต่อวันนี้อธิบายสรุปไว้วัาหลังจะอธิบายละเอียดละเอียดให้ฟังอัมาขยายความบทนิ่งไว้อยู่ วันนิโรดนี่มันยังยืนทาวรได้อย่างไรมันมีอะไรเป็นคำอธิบายมีอะไรเป็นเครื่องยืนยันอธิบายได้มีเครื่องยืนยันยางเห็นได้เข้าใจได้ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงมันจริงเลยเพราะการนิโรดอย่างที่มันมีปัญญาชาติมีเหตุปัจจัยครบอย่างเี้ยมันจึงยั่งยืนของแบบฤษีนิโรธก็คือดับจิตไปเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันไม่ มันก็มีพลังกดกดไว้ให้มันนานๆานได้เหมือนกันนะแต่มันไม่เที่ยงแท้หรอกมันอยู่ที่พลังกดมันไม่ได้สามารถที่จะเกิดเหตุปัจจัยที่มันทั้งปัญญาทั้งเจโตสลายได้จริงมันไม่เหมือนกัน <c oughs> สรุปแล้วทเรามีวัฒนธรรมที่ดีนมีลักษณะหกปัญญาที่ดีความภาพเพียรบากบันที่ดีมีเหตุปัจจัยองค์ประกอบที่ดีผลที่ได้รับได้อาศัยก็ดีเป็นที่ดีความพ้นทุกข์อดีตดีก็เป็นได้อย่างยั่งยืนนะเพราะฉะนั้นคนที่มีองค์ประกอบของลักษณะหกนี้ช่วยอีกทีหนึ่งกับลักษณะของความสำเร็จ เมื่อกี้นี้ที่อธิบายไปแล้วสูตรของความสําเร็จเจประการนั้นช่วยกันมันก็จะพัฒนายัางจะมีอะไรมาช่วยอีกไว้หาหมวดอื่นไว้พบหมวดอื่นไว้เอาหมวดอื่นอธตมานดูๆไว้ ล, วละละจะขยายกันแล้วก็มาช่วยกันอย่างจะชัดเจนขึ้นพวกเรามาเรียนรู้วิธีพวกนี้นี่นะ ไม่รู้นะาอัตมาไม่รู้ว่าสังคมข้างนอกวิชาการนั่นเขาสอนกันพวกนี้อย่างไรแค่ไหนแต่ว่าของเราเนี่ยเราสอนโดยมีปรมัติตเป็นหลักแล้วก็ออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายวาจาในาการงานอาชีพกรรมตะอาชีวะขยายมาโดยเน้นทางจิตเป็นหลักก่อนเมื่อทำที่จิตเป็นหลักได้แล้วก็เป็น ประทานที่จะมีความประเสริฐเศรษฐมโนเศรทามโนโมายาจะจะเกิดผลสมเร็จและไปเกิดความเจริญที่แท้จริงไม่ผิดไม่เพีย้ยนและยังยืนนานด้วยและเป็นประโยชน์ที่แท้จริงด้วยนี่คือคนที่จะถูกสร้างด้วยลักษณะลัสูตรที่อัตมาร่างสูตรต่างๆพวกนี้ขยายความเข้าใจปฏิพานตัวเองมาจากหลัก ที่มันเกิดจริงของพระพุทธเจ้ามาทั้งนั้นนะออกมาแล้วเนี่ยซึ่งการขยายพวกนี้เนี่ยบอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีปฏิพานในการที่ขยายพวกนี้ว่าถ้าบอกว่าไม่ได้บัญญัติที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติเราไม่ได้บัญญัติแต่คนที่ไม่รู้ก็กหาว่าเราบัญญัติขึ้นใหม่ในสิ่งที่พุทธเจ้าทำไม่ได้บัญญัติเขาก็จะว่าอย่างนั้นเพราะมันหลักเกณฑ์มันขยายออกไป แต่เรารู้ว่าเราไม่ได้บัญญัติเองโดยที่ไม่มีที่มาเราบัญญัติจากที่มาของพรูปที่เจ้าและมันจะขัดแยง้งไม่เหมือนกับคนร่างรัฐธรรมนูญก็ดีเขียนกฎหมายก็ดีถ้าขัดแย้งกับของที่เขาตราไปแล้วเนี่ยเขาไม่ทำนะทาไม่ได้โมฆะอัตวาก็เหมือนกันกับนักกฎหมายอย่างนั้นน่ะจะตราใจเ บ, บัญญัติอะไรขึ้นมาก็าบัญญัติไปขัดแย้งของหลักเดิมไม่ได้ ถ้าขัดแย้งมันก็เสียหมดมันไม่ถูกต้องมันเป็นบาปมันเป็นความเสียหายเพราะไม่กล้าทำหรอกเราไม่กล้าทำเราจะไม่ทำเด็ดขาดมันเป็นบาปมันเป็นความเสียหายมันเป็นความเสื่อมอย่างไม่ดีอัจมาก็ยังมั่นใจในการทำงานกับพวกเราเนี่ยจะเริ่มต้นตอนนี้เนี่ย นับไปดูนะปีนี้2 5 5 7ถึง2 5 6เจ็เมื่อไรสักส0บปีเนี่ยจะเห็นหน้ากันอยู่หมดไหมเนี่ยอยู่เหรอใครจะอยู่งนี้นเอะหลายคนไม่ยกทำไมจะไม่อยู่จะหนีไปไหน เฮ้ยมันจะรู้ได้ยังไงว่าจะตายไม่ตายอายุเราจะยืนก็นได้เราก็ยังไม่ตายเราจะไปว่าเราจะตายได้ไงเตรียมตายได้ไงยังไม่ทันเอยังไม่ทันตายเลยเตรียมตายก่อนเลยจะตายเฮ่ hey, อีกสิบปีท่านนั้นมันจะนานอะไรแค่ไหนอ่ะนะไม่อาตมาอายุแปดสิบแล้วอาตมายังไม่ย่อยันเลยยังไม่ไดอ้อยแค่นั้นเองสิบปีเองกโธ และพวกเรายังไม่ถึง8ปสิบแล้วทำไมมันเออตลกนะเออสู ด, ดนตั้งก็ถามว่าจะมีอะไรจะเจริญขึ้นไหมเออทายกันจะมีอะไรจะเจริญขึ้นไหมเ อ, อ่ยนั่นแนะออ่อะไรจ ะ, จะเจริญขึ้นฮะเ อ, อ้เ อ, อ <laughs> ขนาดโหราจารหนึ่งไม่รู้เราจะเลิศขึ้นหรือไม่เจริญขึ้นว้าโหราจารนี่ใช้ไม่ได้เลยเออตลกดีนะอ้าเอ า, เอาละอัตมาว่าได้ขยายความไปพอสมควรมันไม่เหมือนกันที่เราเองเรารู้สึกว่าโอ้โหเราอยากรู้อทิติปุทตเจ้าสอนไว้คําที่มันคู่เคียงองค์พรเจ้ามันรู้สึกว่าดูแล้วมันมีรสชาติกว่า ไอ้พูดคํำที่พูดนี่ไม่ใช่ของพระเจ้าไม่มี บ, า, บาลีไม่มีคําอะไรอะไรกู่เกียงกับคำที่เรารู้เป็นของภาษาธรรมะจริงๆเป็นภาษาธรรมะเป็นปัญญาเป็นความภาคเพียรบากบาันไอธรรมะทั้งนั้นน่ ย, ท, นนนยที่พูดนะอ่ะแต่มันไม่ได้ประกับก บ, บาลีไม่ได้ประกับอย่างเท่ๆแบบนั้นมันก็เลยดูเหมือนไม่ได้มีธรรมะเขายืนยันว่ามีธรรม ะ, ะเป็นธรรมะทั้งนั้นนะที่เอามาขยายความมาสอนมาแนะนําให้เอาไปใช้ ให้ไปฝึกเนี่ยมันเป็นธรรมะทั้ทงนั้นแหละนะอ้เอาละอาตมาเลยเวลาทุ่มไปละสิบสี่นาทีนะมันเบรกไม่อยู่อ่าจริงจริงก็เริ่มสิบแปดนาฬิกาเกือบสิบนาทีเนะมื่อกี้เนี่ยโอโหเรือให้แต่โต๊ะมานั่งก่อนคนมาทีหลังกันค่อยๆเลยลายๆลยลายกยกายมา กว่าจะพอสมควรนะเออก็พอเต็มเต็มก็ยังมีว่างอยู่นะเนี่ยโต๊ะยังว่างอยู่บางไม่เต็มทีเดียวนะเนี่ก็รออุปกรณ์ที่นัง่งที่โต๊ะที่เรียนอะไรใหม่มีคนจ ะ, ะมีน้ำใจจะหามาให้ยังไม่เสร็จมาเลยเขาก็ต้องออกแบบแม่ตั้งจะออกแบบจริงๆิงนันะจะให้ดีให้ ไม่รู้เขาก็ตั้งออกแบบอจริงมีน้ำใจแล้วก็จะไปสร้างไปทํามาไม่ใช่ไปซื้อของตลาดมาให้จะซ้องคอตลาดมันได้นานแล้วแต่ของตลาดไปซื้อปุ๊บเอามาปรับมันมันเช็จนานแล้วนี่เขพยายามนั่นอยู่ก็รอเขานิดหน่อยออัตมาก็เห็นใจนั่งพับเพียบกันนานนานนาแต่อัตมานั่งพับเพียบดีนะอัตมานั่งพับเพียบได้นานยังไงไม่รู้ได้นานไม่มีปัญหา แต่พวกเราในธรรมารู้สึกว่าหลายๆคนไม่ค่อยตกถูกต้องกสโลกเท่าไหร่ <c oughs> จะปวดจะเมื่อยมากก็เอาก็ค่อยรอกันนิดหน่อยอา้าทีนี้เริ่มต้นใครจะเอาคารวาสก่อนจะถามจะสรุปวิจารณ์อะไรก็ว่ากันไปอย่าพึ่งสรุปเอาไว้สมณะก็สิกรมาธ สมาธิมากก็ไม่เพิ่มเนาะเนี่ยพอพอทำเนาไม่เพิ่มอ้าวใครยกมืออ้าวเอามโครโฟนยกก่อนที่เขบอกแล้วยกไว้จนกว่าไมโครโฟนมาถึงมือพอมาถึงมือแล้วเราค่อยเอาลงแล้วใครอยากได้ก็ยกไวจนกระทั่งค้างไว้อย่างนั้นจงกาก็ได้เราได้ไมโครโฟนแล้วค่อยเอาลงคนยังไม่ได้ก็ยกยกนัะเขาจะได้ไมโครโฟนมันมีตามันจะเห็นเ่ยพอยกมือไมโครโฟนก็จะเดินไปหา เอาเอาอยากไม่มีเสียงสิกมาทยังมามากก็สมณะแม่ครับขอโอกาสครับอ่าว่าไปการปฏิบัติธรรมต้องมีปัญญาที่ดีก็คือ ต้องมีปัญญาเข้าไปรู้ถึงกิเลสกิเลสนี่เกิดจากทวารทั้งห้าแล้วก็มีใจเข้าไปรู้ถ้าปัญญาดีคือปัญญาที่สามารถลดกิเลสได้ทำให้กิเลสลดแล้วก็รู้ว่ากิเลสลดได้จริงครับนี่คือปัญญาที่ดีใช่เป็นต้นฐานต้นทาง น, นะนปัญญาที่ดี ก็ได้นี้แล้วมันก็จะรู้กิเลส ท, ที่ลดได้แล้วหรือจิตสะอาดจิตใสเนี่ยศาสนาพูทไม่ได้หนี้ไปอยู่ป่าเขาทําอยู่กับเสือสิง์ลิงกระท่างอะไรไม่ใช่อยู่กับคนอยู่กับสังคมมันก็จะรู้มีปฏิภาณรู้ว่าเออคนเขาทาอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีพวกนี้มันจะรู้โดยสัญชาตญาณรู้โดยปฏิภาณแล้วมันก็จะอ๋ออย่างนี้เมื่อไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องอยากได้แลกโดยอา mith มันก็จะเป็นการที่รู้อย่างซื่อสัตย์รู้อย่างจริงจริงเลยว่าอ๋ออันนี้คนต้องการอันนี้คนเป็นประโยชน์อันนี้นี้ลักษณะความเห็นแก่ตัวก็จะน้อยลงลักษณะที่ความเห็นประโยชน์คุณค่าอันจริงตรง น, นี้ก็จะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดการสร้างสาารรค์งเกิดการมีน้ำใจมันกเกิดจริงจริงนะไม่สัจจะที่คุณสรุปมานะ่ะถูกละว สรุปมาปัญญาก็คือรักษณะอย่างนั้นจริงๆอ๋อใครจะเอาต่ออีกอ๋อขอาการ น, นะคะหนึ่งดาวนาวบนิยมค่ะฟังวันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่นะคะอืมที่พ่อท่านบอกว่าอารมณ์ที่ที่เป็ น, ปนอริยสัตว์นะคะคือการที่มีจิตประเดียเด๋ยวก็สุขประเดี๋ยวก็สุกประเดี๋ยวก็ทุกข์นะคะอืมคือแต่ก่อนก็คิดแต่ว่าอาริยสัตว์สี่นี่มันคือเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยค่ะ เห็นเป็นใหม่อหอค่ะใหม่สาหรับดิฉันนะคะว่า oh. คือต้องมามองที่จิตของเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมันนานแค่การเกิดรูปร่างภายนอกเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออารมณ์ของจิต uh. ที่เกิดขึ้น uh. เดี๋ยวก็สุข uh. เดี๋ยวก็ทุกข์ uh. เดี๋ยวก็เฉยเฉย ต้องตามตอนนั้นเลยนันะเวทนาสามสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นั่นะอย่างนี้เลยตามจิตมันไม่เที่ยงะเี่ยมันสุขเดนมันกทุกเดนมันก็เฉยเฉยวนยืนงั้นน่ะนั่นแหะตัวอนี้จังของปรมติที่ท่านสอนมาอไนไม่เที่ยงข้างรูปนอกเนี่ยไอ้นเปื่อยอันนี้เนามันน่าเลียดแม่เนะมันเป็นอาการหยาบที่ให้พิจารณาเห็นว่าอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มันน่ายึดถือเลย แล้วก็ไปอ่านอาการพวกนี้เป็นนามธรรมไอ้นามธรรมเราดันไปยึดทุกข์ก็ยึดสุขก็ยึดมันโง่จริงๆคนอ่าข้างนอกเรเห็นชัดๆว่ามันไม่น่ายึดอย่างนั้นอะไอ้ใจมันก็ไม่น่ายึดแต่มันไม่เหมือนนะมันไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนไอ้ข้างนอกเน่ามันไม่มีการสลายตัวให้หยุบจับหยุบหยับมาเห็นอย่างนั้นมันไม่ใช่แต่นั่นนะไปเทียบกับใจใจมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นการที่ไม่รู้การเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงนะ ไม่ได้อยู่กันคงทนอะไรมันจะดหือ ย, ย, ย, ย, ยึดตัวไม่ได้เหมือนกับวัตถุมันก็เจาะคุมตัวไม่ได้จิตมันก็เกาะคุมไม่ได้ดีไม่ดีจิตมันเกาะคุมก็ได้ได้ไปเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าไอ้วัตถุที่ําไปมันแปรเปลี่ยนไปเรื่อยข น, นาดจิตเลยนานเลยอันนี้จังเราก็จะไปยึดว่าต่อมันทุกข์มันก็จะทุกข์ทุกข์นนทุกข์นนทุกข์นนคิดว่ามันจะไม่เปลี่ยนจริงๆแล้วมันมันจะเปลี่ยนก็ไม่ต้องไปไปอะไรมันมากมายก็ดูมันไป เห็น ouais. จริงไม uh, ่ใช่ดูมันไปเฉยเฉยเห็นจริงแล้วโอ้มันจริงจริงๆนะมันจริงเขาไปแปลกันอาจารย์เลยอาจารย์ไปแปลว่าไอ้นี่จังไม่เปลี่ยนแปลงนี่แหละเขาไปแปลคําว่าทุกอันนี่จังทุกครังทุกครังเขาไปแปลว่ามันตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ได้ก็คือเปลี่ยนแปลงนั่แหละเขาไปเปลี่ยนว่ามันตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันก็เปลี่ยนแปลงนี่แหละเขาขยายความไปมันก็อย่างงั้นน่ะเสร็จแล้วไอ้คาว่า มันมันอานิจังไม่เที่ยงแท้มันไม่อยู่อย่างนี้ทุกเขาก็แปลว่ามันเปลี่ยนมันตั้งอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไปถึงอนัตตามันไม่ตั้งอยู่มันก็ไม่มีตัวตนนั่นแหละมันก็ต่อเนื่องเงินเหมือนกันนะเทตะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปัญญาฌานฉลาดมาเห็นจริงโอ้โหละายึดอะไรไม่ได้เลยมันอานิจังมันทุกครั้งมันอนัตตาเจ็งๆเลยเห็นไห แต่ถ้าเราจะสร้างนี่เราจะสร้างอุเบกขาใช่ไหมคบเพราะท่านให้มันเจริญเราลดไปมันจะเกิดอุเบกขาเองไม่ใช่สร้างอุเบกขาขึ้นมาไม่ใช่สร้างความเฉยขึ้นมามันจะไม่สุขมันไม่ทุกข์มันก็เฉยไงมันกันกลางไงแต่คุณไม่สร้างเหตุให้มันดับทุกข์ให้มันหมดไปแล้วสุขคุณก็หายไปถ้าดับเหตุแห่งทุกข์สุขมันก็หายไปด้วยมันก็เฉยก็มันเกิดไม่ใช่ไปสร้างอุเบกขาการนั่งสมาธินี่คือการสร้างอุเบกขาแต่การปฏิบัติของพุทธในคืนทํา สร้างเหตุปัจจัยทำลายเหตุปัจจัยแล้วมันจะเกิดอุเบกขามันคนละอย่างพอเข้าใจไหมพอเห็นได้ไหม<จ>สภาวะเห็นได้ไมามันคนละอย่างกันมันไม่ใช่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทางน้เขาเป็นนั่งสร้างอุเบกขาให้มันโยนให้มันนิ่งมันว่ามันไม่มีทางบรรลุธรรมทำลายเหตุปัจจัยคือดับตัณหาใช่ ดับแล้วมันก็จิตมันก็ไม่มีอะไรดิ้นมันก็ว่างกลางก็เฉยไปจงกระทั่งมันก็ได้ไปเรื่อยๆกลางไมมันเกิดการสร้างขามันมันมันการอ้อคอไปมันเป็นการทําลายเหตุที่มันเกิดแต่เหตุปัจจัยที่มันบุญไม่ไม่อยู่นิ่งๆมาอยู่ว่างๆมาอยู่กลางๆมาเป็นว่างๆกลางๆางแต่นั่งสมาธิเนี่ยบอกทำใจว่างว่างๆอย่าไปเกี่ยวอะไรอย่าไปจุ้งอะไรอยู่อยู่กลางๆก็ มันไปสร้างอุเบขาขึ้นเอาเองใครเคยนั่งก็จะรู้ไม่ไม่นั่งใครก็รู้ว่าทําจิตว่างๆก็อย่างนั้นเน่ยลืมตามก็ทําจิตว่างๆแบบนั้นนั่งสมาธิก็ไปจิตเป็นหลอกให้มันอยู่เฉยๆตรงไหนนิ่งก็หลอกให้มันอยู่นิ่งว่างๆกลางๆไม่ไปปรุงไม่ไปคิดไม่ไปอะไรอะไรยังไงซึ่งต่างกันกับความคิดซึ่งต่างกับการทพุทธพุทธนั่นวนวิจัยวิจารณ์ให้เห็นจริงเลยนะอ่านความจริงตามความเป็นจริงเอออันนี้ตัวเหตุ ตัเหตุจงกระทํามันมีปัญญาชานฉลาดเกิดมาจงกระทั้งมันสลายตัวไปด้วยพลังของปัญญามันอ่อนตัวไปมันจางคลายไปมันดับไปมันอะไรไปและมันก็ไปหาว่างไปหาว่างไม่มีอาการทุกข์เพราะเหตุแห่งทุกข์มันหมดไปมันก็เกิดความว่างโดยไม่จะไปนั่งสร้างความว่างขึ้นมาทราบแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะออ ทํทด้วยไฟโฟมก้าอย่างดีนั่งในสามคนโอ้โหมีรายละเอียดตามมาจะมาถึงตอนสิ้นเดือนอ๋อสิ้นเดือนก็วันที่3ามสสิอจากนั้นก็อีจึงจะมาภายหลังโอ <c oughs> ไม่เป็นไรใช้โต๊กอดยืนนอยืนเรียนก่อนอ่ะก็อีพลาสติกก็ได้อ่า ทำด้วยโฟเมก้าอย่างดีนั่งได้สามคนหนาล้นั่งได้ก็สามคนสามคนสามคนสองก็ได้นะเพราะว่ามันนั่ถ้าสี่คงเบีย ด, ส า, ดสามคนกําลังดีสองคนก็ได้หนึ่งคนก็ได้สามคนก็ดีสิ้นเดือนจะได้มันก็วันนี้มันที่ยี่สิบเอ็ดสองเลยนะยีสองใช่ไหมเนี่ยย่สิบสองแล้วมันก็จะสิ้นเดือนอยู่แล้วกันะอีกรออีกจะกัเดี๋ยว อ้าวใครพ่อค่กราบขอโอกาสค่ะศิลเพชนวาบุญยมค่ะอ้าวอค่ะขอเรียนถามเพื่อความชัดเพิ่มนะคะในมุมที่พ่อเคยบอกว่าต้นหนกับต้นกลนะคะ่ะ uh. uh. พลังของวิิยะคู่กับปัญญาเนี่ย uh. ระหว่างปัญญาเนี่ยใช่ต้นกลไหมคะ แล้วปัญญาไม่ใชต้นกอนนะต้นถอนเป็นต้นหนต้นหอนนี่คือกับตันคือผู้ที่อยู่ขบวนคุมพวงมาลัยดูบรรยากาศตระกูฉลาดจะไปนะมันจะสั่งการกับตันให้สั่งส่วนต้นกอนึงก็คือคนที่คุมเครื่องปัญญาเป็นแรงงานเป็นเจโตที่เจโตพลังวิปัญญาเนี่ยมีอยู่ที่จะกับตันต้นหนอนนี่ไม่รู้ภาษาทหารเรือเขาทหารเรือก็ต้นหนนี่คือกับตัน ส่วนต้นกล น, นี่คือคนคุมเครื่องคุมแรงงานอยู่ใต้ท้องเรือคนนี้อยู่บนท้องเรือมองเห็นอะไรทุกอย่างนำพาไปมีอานาจหมดมีอานาจใหญ่กว่าเพื่อนค่ะแล้วเนี่ยกรณีที่พ่อบอกว่าจับเป็นคู่หวังเฉาหมาหันเนี่ย ก็คือระหว่างต้นกลกับต้นหนใช่ไหมคะอาตมาไม่รู้ว่าวันเขามาหั่นใครเป็นต้นหนุนต้นกลอาตมาไม่รู้พูดไปนานแล้วก็เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นต้นหนต้นกลใคเป็นปัญญ า, า, าอย่างสาธิบุตรโมคขลาเนี่ยรู้ได้สาธิบุตรเป็นตัวต้นหนุนโมกคลาเป็นตัวต้นกลอย่างนี้รู้ได้ วังเช้ามาหาจนปานนี้อาธรรมยังไม่รู้เลยเพราะวันนั้นพ่อพูดนะคะมันเป็นคู่อยู่ระหว่างสติกับปัญญาก็มี1คู่แล้วก็วิทยากับปัญญาก็หนึ่งคู่อีกค่ะที่เพิ่มมานะคะค่ะแล้วก็ถ้าจะเป็นในมุมที่ที่คู่ใหญ่ขึ้นมาถ้าระหว่างพ่อชงเจกับมาร์8แปดดิฉันว่าก็คงคู่ได้ค่ะใช่ได้แต่ตัวนี้เป็นคู่เล็ก คู่จี๋คู่กลางแล้วก็คู่ใหญ่อย่างนี้ค่ะใช่ใช่แล้วก็บางทีอาจจะเปลี่ยนตัววังเฉาหมาหัน่นสลับกันระหว่างปัญญากับวิริยะหรือว่าเดินสติกับปัญญาอย่างนี้ค่ะก็เลยในมุมนี้บางทีจิตที่เราเพ่งพุ่งไปหรือว่าที่เราลุยกับ ม, มีพลังแบบไม่ครบอย่างนี้ค่ะแบบลุยงานเนี้ยเราลืมคิดว่าประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านไม่ได้ไปด้วยกัน แต่พอพ่อพูดเดืนั้นว่าระหว่างประโยชน์ตนประโยชน์นท่านไปด้วยกันและปัญญากับสติหรือวิริยะกับสติแต่คู่สลับกันอยู่นี้แต่มันอยู่ที่การวางของของจิตใจเราหรือสติเราที่มันจะไปจับออกอาการตัวเองว่าตอนนั้นเราชัดเจนแต่ยะหรือว่าวิริยะกับแค่ปัญญามันมันจะสับสนกันอยู่ตรงนี้บ้างค่ะัเช่นเรียนรู้ไปตามความจริง เ้าจะ ก, ก็ค่อยรู้การรู้สองอย่างนี้แหละเป็นการรู้ภาวะรูปในรูป24อุปาทายรูป24บเนี่ยอาทวนอุปาทายรูป24ี่มันมีหนึ่งอุปาทายรูปมันเกิดจากปาษาทรูปกับโคจรรูปภาษาทรูปห้าโคจรรูปห้า ภาษาทรูปก็คือตาหูจมูกริ้นกายโคลเจ ร, รูปก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสมปัตติสองอันนี่แหละมันเกี่ยวข้องกันทํางานกัน ข, ขึ้นมาหานามมาเป็นวิญญาณรวมและในวิญญาณนี้ท่านก็แยกไปให้ถูกรู้ได้ว่ารูปอุปาทายรูปต่อจากนั่นไปก็เมื่อมันสมัมผัสกันพับก็เกิดญานปัญญาต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวปรุงแต่งกันอยู่ รูปกับนามรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามคือสิ่งผู้คือตัวผู้รู้มันจะเกิดจะงั้นให้เรารู้เพราะงั้นมันรู้แล้วมันก็ค่อยๆแยกอย่างที่ว่านี่ปรับปรุงไปตั้งแต่หยาบกลางแรงตั้งแต่เพศหรือลิงค์หรือว่าคู่ที่เทียบกันว่าอะไรคืออันหนึง่งอีกอะไรอันหนึง่งเมื่อที่เทียบเมื่อกี้ว่าอะไรเป็นต้นหนอนะไรเป็นต้นคล อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเป็นบวกอะไรเป็นลบอะไรเป็นตัวต้นอะไรเป็นตัวรองสุดท้ายอะไรมีลักษณะที่จะเป็นอย่างนี้ท่านก็เรียกสองภาวะนี้ว่าอิทธิภาวะกับปุริสภาวะซึ่งต้งแต่ยาไปเลยจนกระทั่งถึงละเอียดละเอียดเป็นนามธรรมเลยก็เหลือสองภาวะนี้เป็นพลังงานถ้าเป็นสสารถ้าเป็นฟิสิกส์ก็ก็เรียกบวกกับลบมันก็จะเหลือ พลังงานลักษณะที่จังอยู่มันจะต้องมีแรงงานหรือมีพลังงานเรียกว่าบวกกับลบทำงานร่วมกันอยู่และเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์อยู่ในโลกมันศาสน า, าพุทธไม่ได้ไปเปลีป่ย น, นไม่ได้เป็นดับบวกดับลบให้มันอยู่นิ่งๆให้มันเฉย บ, บังคับมันให้มันเฉยไม่ใช่ค่าตัวเหตุปัจจัยที่มันทำให้เกิดสิ่งที่ไม่สมควรสิ่งที่ไม่ดี เหตุตัวนั้นและพลังงานพวนี้จะทํางานเก่งบวกกับลบอยู่ทำงานดีทํางานสะอาดทํางานอย่างซื่อสัตย์ทํางานอย่างเป็นประโยชน์คุณค่าอย่างพิเศษเลยมันจะเป็นอย่างนั้นน ร, รูปต่างๆนี้ก็เป็นการขยายมาตั้งแต่ภาวะรูปมาจนกระทั่งถึงรูปย่อยไปอีกสี่อธิยรูปชีวิตรูป อ, อาหารรูปแล้วก็พอิเชะทรูปนี่เป็นต้นอีก4ี่เนี้ย หัตถยรูปคือสิ่งที่เป็นสภาวะจิตอยู่ตรงไหนเจอตรงไหนจับได้ตรงไหนตรงนั้นลหะคือหัตยรูปมันไม่มีที่อยู่มันไม่มันไม่อยู่ไปเกาะตรงนั้นเกาะ ต, ตรงนี้ไม่มีาทางอภิธรรมก็ไปเรียกว่าหัยยรูปนี่คือหัวใจเพราะงั้นตัวปัญญาและตัวธาตุรู้จะไปอยู่ที่ห้องที่สี่ หัวใจมีสี่ห้องแบ่งนิดไปอยู่ห้องที่สี่เขาอธิบายละเอียดต่้หัวใจอาศัยอยู่นั้นจะมีนม้ำสิน้ำเงินใสๆอยู่ตรงนั้นโอโ้โ<笑>หซึ่งมันไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละฮัทยรูปจึงเคลื่อนที่อยู่ที่ไหนก็ที่นั่นคุณรู้สึกที่ไหนละ่ะมันจะรู้สึกตรงไหนละ่ะคุณเจ็บใจเจ็บตรงไห น, นเจ็บตรงสมองเจ็บตรงปลายจมูกเจ็บจนยอดหัวใจเหรอไม่จริง啊 ไม่จริงหรอกเจ็บที่ปลายนิ้วจิบที่หัวเขา่ามันไปอยู่ที่หัวเขา่าไม่มีมันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกมันก็อยู่ในสภาวะที่เรามีประสาทรับรู้อยู่ในตัวเราเนี่ยนึกออกตัวเราก็ได้มันเกิดที่ไหนก็คุณกำหนดรู้ที่นั่นว่านะั่นคือฮาทไทรูปรูปต่อจากนั้นมันเป็นชีวิตชีวิตก็คือมันยังมีตัวธาตรู้ของมันอยู่ร่วมเลยและเป็นธาตรู้ที่ครบเลยนะครบ จิตนิยามเลยนะมันจะรู้แต่แค่เป็นพิชนะนิยามเรียกว่าชีวิตนะมีกําลังชีวิตแรงหรือเบาชีวิตอินทรีย์มีอินทรีย์แรงหรือเบานี่คืออิ sea. นทรีย์ของมันอ่ามันจะมีน้ําหนักมากน้ําหนักน้อยชีวิตเช่นคุณทาให้กิเลสมีชีวิตบางเบาลงเบาลงอย่งทั้งมันตายดับ มันไม่มีอินทรีย์มันไม่มีพละมันไม่มีกำลังมันศูนย์ก็หมดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นแต่ชีวิตชีวิตอินทรีย์ของธาตุจิตวิญญาณยิ่งดีขึ้นนะธาตุกิเลสลดลงไอ้นี่ยิ่งดีขึ้นอาหารรูปคือเครื่องอาศัยก็เรียนรู้ไปตั้งแต่ ก, กาวรินกราหารนะผัสสะหารเจมโนสัญเจตนาหารวิญญาณาหาร อาหารต่างๆพวกนี้เป็นเครื่องอาศัยตั้งแต่มันเกิดที่เป็นเลี้ยงขันรูปขันกาวริงกะลาหารจนทั้งอาหารทางนามาทาผัสสะมโนเสินเจตนาและวิญญาณคุณก็เรียนรู้อาหารเครื่องอาศัยพวกนี้จนกระทั่งทำละเอียดลงไปให้เป็นอาหารที่เครื่องอาศัยที่ไม่มีกิเลสเป็นตัวเจ้าเรือนไปบังคับหมดกิเลสบังคับคุณก็ได้อาศัยอาหารอย่างดีอย่างประเสริฐอย่างไม่เป็นทุกข์ นะอย่างเป็นประโยชน์คุณค่าด้วยส่วนปฏิเชตรูปนั้นคือลักษณะขององรวมของการปรุงแตง่งปรุงแต่งจนจิตมันเกิดว่างเป็นตึกถึงขั้นอากาศท่านอธิบายไปถึงขั้นอากาศนะปฏิเชตรูปอากาศสาศัทนาะนี่ท่านก็อธิบายของท่านเองรูปที่จะกำหนดจะให้ว่าง ำไม่ว่างมันไม่อย่างที่อธิบายให้หนึ่งดาวฟังเมื่อกี้เนี่ยไม่ให้ว่างให้อุเบกขาไม่ใช่ไปกำหนดสร้างให้มันว่างจะ ก, กํำหนดให้มันว่างนี่รู้เลยว่านี่อธิบายไม่เข้าปรมาติไม่เข้าไอ้นะั่นะนี่เป็นเอามาจากคองท่านพระพุทธนาพรเล น, นะจนกระทั่งมันเกิดว่างนั่นแหละนาะอากาศสาว่างสภาพว่างจากกิเลสอย่างสะอาดขึ้นเรื่อยเรื่อยเราก็ ทำอันนี้แนหะมันจะไปสัมพันธ์กันบริเฉทรูปก็คือมันทํางานสังเคราะห์สังคารกันอยู่ทั้งหมดในบริเฉทรูปหรือบอริบทในกรอบขนาดใดขนาดหนึ่งคุณก็ต้องเรียนรู้ในนี้หรือกายโยกันเดียวกันองค์ประชุมวันนี้มันก็เกี่ยวข้องกันสังคารสังเคราะห์อยู่ในนี้มันมีเหตุปัจจัยคือกิเลสอยู่ตรงไหนยังไงมันเมื่อไหร่ยังไงคุณก็ลางกิเลสได้ออกจนจิตมันว่างอากาสาเจนั้นว่าง เนื่องจากเราทำปฏิเชตรูปสําเร็จไปตรงฐานว่างนี่เป็นฐานนิพพานอุเบกขาเนี่ยจากอุเบกขาก็อาคาซะอากาศอุเบกขานี่ยมันก็ยังหยาบอยู่หน่อยเริ่มต้นเป็นฐานนิพพานเป็นฐานว่างฐานอากาศพอขึ้นไปอากาศก็ว่างถึงได้ตรวจสอบให้มันว่างไอ้ว่างนี่เลยไปฐานสุดท้ายวิญญาณจะอากาศะวิญญาอากินจัน ในวสัญญาคือการกำหนดรู้ให้ได้คุณรู้ให้ได้อากาศว่ามันเป็นอย่างนี้จิตที่ไม่มีเหตุกิเลสมันก็คือจิตว่างๆจิตใสๆจิตสะอาดแล้วมันไม่อะไรละมันมีที่มันมีมาจะทําให้ไม่ว่างอากินจัญญะมันมีไม่ได้นะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็มีไม่ได้ไม่ให้มีตรวจสอบเซวนที่เหลืออีกอกินจันในวาสัญญานะสยาสัญญาคือกําหนดรู้ ร, รู้ให้ครบไม่รู้ไม่ได้เสร็จตกหล่นไม่ได้ต้องรู้รู้รรจนสมบูรณ์ สมบูรณ์หมดพ้นในวะสัญญานาสัญญายตนะเป็นการพ้นอวิชชาสังโยชน์เป็นการพ้นอวิชชาสวะหมดความไม่รู้แล้วมันรู้สุดยอดเลยอย่างนี้เป็นตน้นวันอากาศสามันก็คือตัวที่จะต้องปฏิบัติปฏิเชต ร, รูปให้สมบูรณ์จากนั้นมาวิญญาตวิญญต ร, รูปอีกสองวิญญาต ร, รูปก็คือรูปที่มันอาการเคลื่อนไหวที่เราดูรู้ได้จากกาย และอวจีกายอธิบายว่าองค์ประชุมทั้งหมดเลยกายเนี่ยไม่ขาดอะไรถ้ากายเต็มๆเรียกว่ากายาสังขารเพราะเขาไปแปลคําว่ากายว่าโครงร่างกายยสังขารคือมันปรุงแต่งเป็นเนื้อหนังมังสาเท่านั้นมันไม่ใช่มันต้องมีธาตุวิญญาณเกี่ยวข้องด้วยหรือแม้แต่อจะว่าจะเนื้อหนังมังสาคือกายเลย เกี่ยวข้องกับไอ้ข้างนอกนั่นนะพระหิทธารูปานิดินน้ำไฟลมต่างๆข้างนอกตาไปกระทบเสียงก็กระทบกลิ่นก็กระทบมันก็คือองค์ประชุมที่เราเกี่ยวข้องอยู่ทุกขนาดทุกเวลาทั้งนั้นแหละญาณปัญญาจะต้องร่วมรู้ร่วมสังเคราะห์ร่วมสังขารร่วมทำความเข้าใจมาเลยกิเลสมันมาด้วยการไปกระทบรูข้างนอกมันก็เกิดกิเลสไม่ใช่เกิดแต่ร่างกายราะฉะ เข้าใจกายแต่แค่ร่างกายโครงสร้างของดินน้ำไฟลมร่างกายนี่แหละทให้ปฏิบัติธรรมไม่ออกปฏิบัติธรรมไม่เป็นไหนกายสังขารมันเลอแคบเข้าแต่แค่ตรงเนี้กายสังขารคือดินน้ำไฟลมมาเป็นแต่งปรุ ง, แ ต, งแต่งกันเป็นรูปร่างแล้วก็จบแค่นั้นน่ะนี่คือการปฏิบัติธรรมที่พิจารณาไม่ครบทีนี้วจีสังขาร ก็คือา่าที่ออกมาทางวจีออกมาเป็นกรรมกิริยากรรมวาจาวัจจิกรรมเพราะอาการเคลื่อนไหวของวจิกรรมมีที่ขีตะวาติตะอะไรออกมายังไงสุ่มเสียงสำเนียงภาษาบัญญัติต่างๆมันออกมามันหยาบมันแรงมันเบามันกระสื่อทางสำเนียงส่อภาษากิริยาสอสกุลอะไรก็ว่าไปคุณก็รู้ได้กิริยามันรวมหมดเลยทั้งกิริยา องประกอบทั้งร่างกายเคลื่อนไหววิญญาตรูปกายวิญญาตส่วนวิจีวิญญาตก็แยกไปอันด่างเหล่านี้มาจากใจมาจากใจที่จะเกิดวิญญาตเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อใจคุณเนี่ยนะมันทำให้เกิดกายกายวิญญาตมันทำให้เกิดวิจีวิญญาตคุณก็อ่านให้ได้ว่าอันนี้มันสอดถึงต้นเหตุทางใจอะไรมันไปทำให้เกิดกายวิญญาต อะไรมันทาให้เกิดวัจีวิญญัตคุณก็มาแก้ไขแก้ไข ข, ข้างนอกด้วยอาการทางกายวิญญัตมันไม่ควรจะเป็นมันควรจะก ำ, ก, ำกับวัจีก็ควรกำกับกากับจริงก็คือกำกับที่มนโนการกำกับที่มโนนะรู้ได้จากอาการเคลื่อนไหวของเราบางทีมันไม่รู้เราเองออกท่าทานเฮ้ยแรงไปนะ พูดไปเฮ้ ย, เ, ย, เ, ยเสียงคำพูดไม่ดีนะคุณก็รู้จักไอ้ที่มันเกิดจาก ย, ยาพวกนี้โอราริกอาอักตาออกมาทางนองเนี่ยแต่คุณก็ต้องมีปฏิภาณไว้มันมาจากใจเราตัวไหนจัดการากับใจหรือควบคุมข้างนอกที่ไมค่ควรคุณกระ ง, งับด้วยแต่จริงๆแนละ้วต้อง ต, ต้นเหตุก็คือใจอต้นเหตุก็คือใจจนกระทั่งจะเกิดวิการารูปห้าจนกระทั่งเกิด ลักษณะรูปอีกสกี่วิการรูปก็มีวิญญารูปกาบัจีวิญญ์กับเอกกายบิญยกับัจีวิญญาสองแล้วก็เหลือสมในวิการรูป5มันไปซ้ำอยู่อีกสองสามก็มีละหูตาอุทุตาและกักบกรรมมัญญา่วันสักสมัสพวกนี้ก็ต้องรู้จักสภาวะของมัน ลัคนูตาอะไรมุทิตาอะไรก็ไม่ลัคหุตาเบามันเราทําให้เหมือนกับปริเฉษทรูปเราทาให้บางว่างอากาศนั่นเป็นตัวจิตวิ ญ, ญญาณที่เบาที่สุดแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเองนี่นะเรามีจะอยู่อาศัยแต่อากาศบางว่างกรังละแล้วก็ไม่ปรุงอะไรเลยไม่ใช่เราจะอนุโลมปรุงได้แต่เราต้องรู้ว่าเราทำมาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันวิการทะรูปเราต้องให้มันเบาได้ เบาที่สุดที่เราจะเบาได้สุภาพที่เบาภาษาใหญ่ๆรวมๆมาสุภาพเบาระหูตานะเพราะถ้าเราสามารถกำหนดเบาได้ไอทำแรงเนี่ทำแรงมากๆ ม, มันไม่ดีหรอกแต่เราลดลงมาจะทำเบาในะยากกว่าทำแรงเบากำหนดในีมันเบาลงง่ายลงเร็วลงไวเพราะงั้นมันก็จะไม่เกิดอานาจถ้ามันเบาได้กํากับมันได้วะ จิตเราอยาแรงนะแต่ถ้าเผื่อว่าเราฝึกให้แรงมันก็ฝึกได้แต่ทําให้เบานะี่ยากกว่าแรงแล้วคนในโลกนี้มีแต่จะทําให้จิตแรงสร้างได้จิตให้แรงไม่ได้สร้างจิตให้เบานะเดิ่มหน้าทางคนเนี่ยคนมาสร้างางั้นเอนของพระเจ้ากระท้วงกระแสทําให้เบาอุดมุติตาอัยมุตุตาก็คือทําให้มันทำได้เร็วทําได้คล่องทําได้ไว ไม่ว่าจะเป็นเชิงปัญญาก็ไว้ทําตัวมันเองเจโตก็ให้ไวเลยว่ามุทุซึ่งอธิบายมามากแล้วมุทุธาตุมุทุพุทธาตุเจดหัวอ่อนปรับงายเปลี่ยนง่ายทำง่านเพราะเมื่อเราสามารถทํามันอย่างนี้ได้อีกคุณก็กรรมมัญตาทําการงานอะไรได้ก็มันก็ประมาณดีๆมันไม่แรงแล้วก็มันก็ได้เร็วทั้งแรงทั้งเร็วหรือเบานั่นแหละ เบานแหละคุณสามารถทำได้เบาได้คุณทำแรงได้เพราะคนส่วนมากนั้นไปเคยแรงมาทั้งนั้นแล้วก็สร้างแรงไว้ไม่หยุดหย่อนไอเร็วเนี่ยังดีนะเร็วที่สามารถทำเนี่ยถ้าทำให้กิเลสมันหายเร็วจนกระทั่งมันไม่ไ ม, ไม่ไม่มาเลยก็ไม่ต้องห่วงทำให้ปัญญารู้เร็วรู้ทันชับไว้ ท่านเรียกว่าเร็วๆ ว, วนี้ท่านอีกคนึนเรียกว่าชาวนาจิตนะชาวนาจิตนะอย่างท่านด่วนดีนี่ด่วนเร็วนี่ท่านชื่อนะวอะไรท่านด่นดีอะชวนะะะสุชบด่วนดีสุชวะเร็วชวนาชวะนะคุณชวนเนี่ย สัตยชวนในชวนาแปลว่าเร็วเร็วเวมื่อคุณได้สามตัวนี้ที่นี้คุณก็จัดการกับกรรมัญญาตาโอไม่ใช่วิญญาทรูปกายวิญญาติกรมจีวิญญาณานี่คือวิการรูปประมาณได้ที่มันอยู่ในสัดส่วนที่ดีกรรมัญญาจนถึงแปลว่าเหมาะควรถ้ากรรมัญญตาคือการงานที่เหมาะควรหรือกรรมที่เหมาะควรหรือสิ่งที่กระทำออกไปอย่างเหมาะควร โดยการคุมคุมในปัญญาคุมด้วยการทำได้สุดท้ายเหลือลักษณะหรือลนะักขณะของมันสี่ระหุตาเอา่อไม่ใช่ระหุตาวัฏสงฆาระพุไปแล้วอุปเจยะสันตติชรตาและอนิจจตาอุปเจยะนะั่นคือการเกิดชรตาคือการดับหรือการเสื่อมอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งเสื่อมลง เพราะเราคุมได้จัดการได้ว่าจะให้เกิดหรือจะให้เสื่อมสันตติก็คือการเชื่อมต่อกันตรงนี้คุณไม่ขาดการทำให้เกิดทำให้ดับหรอกทำให้เกิดทำให้เสื่อมคุณไม่เกิดไอ้คุณไม่ไ ม, ไม่ขาดไม่ไม่อันนี้เนื่องกันอยู่ตรงนี้คุณจะทำให้เป็นอะไรเพราะงั้นถ้าคุณสามารถควบคุมได้มากก็เป็นการเที่ยงเมื่อเราทาเที่ยงได้ คุณก็สามารถยืดหยุ่นและทำอะไรๆ ไ, ได้ต้องการให้เที่ยงตรงนี้ต้องการให้ได้ขนาดนี้ต้องการให้ขนาดนี้ได้ทุกขนาดควบคุมชะตาไม่ใช่คุณควบคุมอนิจจตาความเที่ยงความไม่เที่ยงคุณควบคุมอนิจจตาได้เลยให้เกิดเรื่องให้เสื่อมตลอดเวลาและสัน ต, ติมันต่อเนื่องของการเกิดการ มันจะระหว่างการเกิดการการเกิดการเสื่อมหรือการตายอะไรแต่ระหว่างที่คุณยังไม่ตายคุณก็จะมีการใช้ให้มันอยู่เรียกว่าชรตาเสื่อมเสื่อมก็เกิดเพราะเราจะรู้ว่าอาการที่มันเกิดคืออะไรอาการที่มันเสื่อมมันคือบวกกับลบบวกอย่างหนึ่งลบอย่างหนึ่งให้มันอยู่เท่านี้บวกให้มันทวีเท่านี้ลบหรืออุปจยะให้มันอยู่เท่านี้คือชรตา คุณควบคุมได้อย่างเที่ยงนี่คือลักษณะของเรียกว่ารูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่มันเป็นอารูปหรือเป็นนามธรรมอย่างยิ่งโดยเฉพาะจิตของเราลักษณะพวกเนี้เพราะที่ว่าเนี่ยลึกเ่นหนึ่งพวกนี้ในรูปที่ว่าเนี่ยมันนา ม, มาทําทั้งนั้นน่ะที่ว่าเนี่ยนามาทําทั้งนั้นเลยแม้แต่จะเกิดตั้งแต่ไอภาษาทรูปโคจรรูปก็ตาม มันก็คือองค์ประชุมของสามผัสสะสามสิ่งที่ควบคุมอยู่ด้วยสิ่งที่เกิดอยู่ผัสสะสาตากระทบรูปเกิดวิญญาณหูกระทบเสียงเกิดวิญญาณทั้งนั้นน่ยถ้าไม่กระทบกันไม่เกิดการไม่มีผัสสะไม่มีอะไรคุณก็เฉยๆไม่มีอะไรเกิดเลยนิ่งๆอยู่งั้นไม่ต้องไปไ ม, มีอะไรหรอกแต่คนมันไม่ได้อยู่ในลักษณะธรรมชาติของการอยู่เฉยๆ มันจะต้องปรุงแต่งมันจะต้องมีเรื่องมีราวอย่งนี้ตลอดเวลาจึงต้องเรียนรู้และจัดการควบคุมมันได้โดยจะพาะเอาเหตุตัวร้ายออกไปให้หมดมันจึงจะดูย่าดังดีค่ะกราบขอบพระคุณค่ะนี่เต็มรูปเลยนะเนี่ยอธิบายปาทายรูป24สอ่าแม้แต่แถมสี่ของมหาพุทธรูปอีกสีก็ครบยูปยี8ปแล้ว นี่เรียนอภิธรรมกันมาพอสมควรแล้วนะพวกเราเนี่ยแล้วเรียนพวกเราในปฏิบัติได้ไม่เหมือนกับทางพระอิสามเขาเรียนเขาเรียนป้ายเป็นเม็ดมะขามอย่างที่ท่านพุทธทาสว่า <c oughs> เป็นดวงดวดวงดงดวงเอาใครอีกอ่ะเอาบาปะมายกมือก่อนแล้วบอกให้ยกมือไว้แล้วกยกกระทั่งไมโครโฟนไปถึงมือจะได้มีเส้นเวลา กับเข่าวกาศค่ะ uh. ท uh ่านใบฟ้า uh. ค um, <women. S 1> ่ะในหน้าหน้า19ของหนังสือนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีวัฒนธรรมที่ดีจะต้องประกอบด้วยคุณลักษณะ6ประการที่พ่ะท่านได้กําหนดไว้นะคะประการแรกคือวัฒนธรรมที่ดีต้องประกอบด้วยปัญญาที่ดีความภาคเพียรบากบันที่ดีมีเหตุปัจจัยองค์ประกอบที่ดีผลที่ได้รับได้อาศัยที่ดีความพ้นทุกข์ที่ดีความยั่งยืนนานที่ดี สิ่งที่อยากจะเรียนถามวันนี้อยากเรียนถามค่ะว่าคําว่าวัฒนธรรมอะค่ะพอท่านให้ความหมายว่าอย่างไรคะวัฒนธรรมอ๋อชื่อข้างบนนั่นเลยวัฒนธรรมวัฒนเนียมแปลว่าเจริญท่านพุทธทาสเนี่ยท่านเรียนยังไงไม่รู้ท่านไปแปลว่าวัฒนธรรมนี่คือหายนะคือท่านกลับท่านกลับหลายอย่าง ท่านกลับว่าบุญกับกุศลนี่กลับกันคนละขั้วเลยท่านบรรยายว่าบุญนี่คือตัวที่เลวไหลเลวร้ายส่วนกุศลดีเยี่ยมกลับกันคนละขั้วกันมาเลยอ่าอย่างนี้เป็นต้นก็กําลังจะอธิบายกันอยู่เพราะว่าอะไรโลกมันหลอกมันโลกมันหลอกจนกระทั่งมันเป็นอย่างงั้นน่ะโลกมันหลอกคําว่าบุญนี่เป็นต้นบุญ มันเป็นเรื่องเอามาค้ามาขายเอามาเล่นมาเป็นของที่จะจนมันกลายเป็นของเสียท่านบุญทศตาคือเห็นตามโลกเขาหลอกก็เลยนึกว่าบุญมันหมายความว่าอย่างนั้นมันที่จริงความหมายแกนของมันแก่นของมันเนื้อแท้ก็มันเป็นการชําระกิเลสท่านก็เลยว่านี่แหละไอตัวร้ายทํามันกิเลสเพราะงั้นใครเป็นบุญไอ้นนก็คือถ้าแปลว่าอาการฟูใจบุญคืออาการฟูใจถ้าแปลงี้เลย อย่างนี้เป็นต้นก็คล้ายกันกับวัฒนธรรมวัฒนะมันคือความเจริญความพัฒนาก้าวหน้าแต่พุทธทาก็เห็นว่าทุกวันนี้มันไม่มีแล้ววัฒนธรรมมันมีแต่หายนธรรมท่านก็แปลวัฒนานี่แลโดยพฤติกรรมมนุษย์มันคือหายนาโดยไม่รู้ว่ามันทำาบบนี้ว่าก้าวหน้าที่จริงมันเสื่อมวัฒนธรรมมันก้าวหน้าแต่มันหายนะมันกับเสื่อม เพราะคำวัฒนธรรมก็คือความเจริญจริงๆซึ่งจะ ต, ต้องเป็นบุญนิยมคือเจริญเพราะกลับลดกิเลสได้จริงนะมนรดกเกเรอย่างที่อาตมาได้อธิบายขยายความนั่งหยุดยาวเมื่อกี้นี่ว่าปัญญานั่นแหละวัฒนธรรมเมื่อสร้างได้ดีสิ่งที่คงทนเรียกว่าวัฒนธรรมหรือจารีหรือประเพณีก็คือสิ่งที่ทํากันอย่างนี้คงทน อ, อาศัยอยู่ในสังคมหรืออยู่ในตัวเรา ในตัวเราในสังคมของเราไปพฤติกรรมสังคมเรียกว่าวัฒนธรรมคือสิ่งทิตเจริญสิ่งที่จเจริญ น, นะเพราะงั้นจเจริญที่ว่านี้จึงเอาของเราเนี่เอาตัวกิเลส ท, ที่มันลดลงลดลงจนไม่มีกิเลสเป็นหลักเพราอะะ่านจำนวนคนในสังคมอย่างสังคมวสอเราเนี่ยเป็นคนที่ลดกิเลสลดกิเลสไปได้และรวมพลังงานที่มีกิเลสบ้าง คนไม่มีกิเลสก็เป็นแกนอยู่ในนี้หรือคนกิเลสน้อยก็เป็นแกนอย่างนี้จึงเกิดพลังงานรวมที่เป็นวัฒนธรรมได้เปอร์เซ็นต์ของกิเลสน้อยเปอร์เซนต์ของกิเลสน้อ ย, ออลอยแล้วก็เลยมีพฤติกรรมหนึ่งรู้รู้โลกโลกก็วิทูสองช่วยโลกไม่ได้ไปเบียดเบียนโลกไม่ได้ไปแย่งโลกไม่ได้ไปทําลายโลกอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นพฤติกรรมของสังคมกลุ่มนี้มันก็เป็นอยู่คงทนได้ เพราะทุกคนมันมีคุณสมบัติอย่างนั้นมันก็เกิดเป็นพลังงานสังคมเป็นพลังงานพฤติกรรมสังคมอยู่ยาวนานอยู่รูปนี้เป็นวัฒนธรรมของสังคมเระวัฒนามของสังคมกลุ่มแต่ละหมู่แต่ละกลุ่มจนกระทั่งถึงประเทศก็เป็นวัฒนธรรมของทั้งประเทศเป็นองค์รวมเอาต่อ กราบขอโอกาสครับมุ่งบุญครับกราบเรียนถามพระท่านว่าส ก, กายะของเราเนี่เราส ก, กายะใหญ่ของเราเราเห็นตัวมันแล้วเราจับได้แล้วแต่เราฆ่ามันไม่ได้สักทีนี่ <laughs> เราจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางไหมครับ อ่ามันข้าไม่ได้สักทีคุณถามนะคุูก็ตอบในตัวอยู่แล้วว่าข้ามันได้ไม่ถึงตอนปลาไปลายทางได้ไงข้ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้สีมันจะไปถึงไปลายปลายปยทางได้ไงถ้าสักห้าสิปอร์เซได้ไหมครับะถ้าถ้าข้าห้เอร์โอ้โหเลี้ยงไว้ต่เก้าสิบภาพลดลงมาสักห้าสเปอครับอ๋อห้าสิบเปเซ็นรลีร้ยงไว้ทําไมห้าสิเซตมันยากครับ <laughs> <laughs> อย่าท้ออย่าท้อ <laughs> <laughs> ขอบพระคุณครับ <laughs> <c oughs> อย่าท้ออย่าไปเหลือมันไปแตั้ง <c> 50 <oughs> เปอร์เซ็นต์อ้าวใครอีกอา้าตกลงชื่ออะไรกันแน่นี่คนเนี้ <Okay. S 1> อะไรงามอะไรงามงามดีมากครับงามดีมากครับน้ำน้ำต้องมีคำว่างามจะกรชื่อผู้หญิงนะเว้าวงามไม่ครับพระราชนะทำไมไม่ชื่องามแง่ทั้งเลยอ่ะ จะได้ง่ายๆดีว่าว่าพระรหัสไม่มีเพศไม่มีวัยได้ตั้งนั้นครับเอาเอาเชิญครับงามดีมากอาจารก็จำเพี้ยนอยู่วนน ง, งามดีบุญอะไรอย่างงี้อาบออ้าวต่อครับคือผมหามดีมากนำตระกูลสบายมากเออ นี่ว่าไปบัตรประชาชนเขาเลยนะไปเปลี่ยนมาเรียบร้อยมาแล้วนะเนี่ยทำไปเล่นไปเรียกเขาได้เลยเพราะชื่อจริงเขานามดีมากสบายมากครับผมผููจริงทําจริงครับเออเอาอาว่าไปครับคือคือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะฮะตั้งใจฟังให้ชัดนะนัดนะอยามอีกครั้งว่าตั้งใจฟังให้ชัดชหาเสียงซะด้วยนะครับอ้าวอาจจะได้ ชื่อเหมือนผมนามตระ ก, กูลเหมือนผมก็ได้งามดีมากนี่สบายมากนี่อาจจะได้อย่างนี้ก็ได้หมดเวลาใช่ไหมนีนเดี๋ยวเรวครับครับครับนี่มันอีก5นาทีเลยเดี๋ยวสมณะกับสมณะเคียงมากเลยครับครับผมเคยพูดกับพ่อท่านทีนึงแล้วตอนที่ขึ้นรายการกับพ่อท่านที่เรือนพึ่งกันน่ะแต่ครั้งนั้นมันยังไม่สมบูรณ์เท่ากับครั้งนี้มากโอ้เอ า, าไปครับที่ผมเคยพูดว่าไอ้มิตรดีสังคมดีสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ้นของความพ้นทุกข์อ่ะพ่อท่านเออใช้ได้ แต่ตรงนี้ดีกว่าอีกครั้งพูดครั้งนี้แหละคือตั้งใจฟังหน่อยนะครับเพราะว่ามันสำคัญมากผมว่ามิตร ด, ดีเพื่อนดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ้นของคนที่ลดเล่หมดกิเลสวงเล็บภรริยะเล่ผ้าอรหรันคือคนที่ลดนี่คือเป็นภาริยะนะ แล้วก็คนที่หมดกิเลสคือพระอรหันต์ขอพูดอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้จำได้มิตร ด, ดีเพื่อนดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ้นของคนที่ลดและหมดกิเลสทีนี้พวกเราที่มานี้ก็อยากจะลดและอยากจะหมดกิเลสต้องให้ความสำคัญของสิ่งนี้สิ่งที่ผมพูดนี่แหละ มิตรดีเพื่อนดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งสิ้นของคนที่ลดเล่หมดกิเลสถ้าถ้าคนฟังคำนี้ชัดเน่ยอยากอยู่บ้านราชเพิ่มขึ้นทันทีครับคนไหนไม่มาก็น่าเสียใจขอบคุณครับอ้าใช่ได้สรุปได้ความดีมากนะที่จริงน่าจะชื่อดีมากนะงามดีมากยาวนิดนึง มันเหมือนผู้หญิงหน่อยงามดีมากเอาไม่เป็นไรจะเติมงามก็ได้งามดีมากสบายมาก <c oughs> อ้าวทีนี้เหลือเวลาอยู่อีกเนี่ยตกลงเกินเวลาไปอีกสักห้านาที8ปนาทีก็ตอนนี้เหลือสามคือครบสามสองทุ่มเอาสมณะสกมามานิมนต์ไอ้เจ้าก่อน เอาเลยใครจองบอกจองไมโครโฟนเนยขอโกาศพอท่านครับเอาเอาเลยคือไม่ได้ตั้งใจจะมาสรุปเ <c oughs> อราะไม่มีปัญญาจะสรุปเป็นไรตั้งกายก็ได้ <c oughs> ตั้งใจจ ะ, ะอัดสมมุติเอา <c oughs> <c oughs> แต่ก็มีปัญหาอยากจะถามจะขอดเอาถาม <c oughs> <c oughs> ให้สรุปถามเลยเนาะคนที่เป็นหนี้ทางศัตริยธรรมนี่ถ้าเจ้าหนี้เขาไม่ติดใจจะเอาหนี้ด้วยมันจะมันจะเป็นหนี้ หรือเปล่าอ๋อเอออันนี้ดีคนที่เป็นนี่ทางศัจธรรมหรือทางจิตปัญญาเนี่ยนะเป็นนี่ทางจิตปัญญาณเนี่ยแล้วถ้า่ากับว่าเขาไม่เอาอาภัยอโหสิเขาไม่เอาเนี่ยมันจะเป็นไหมไม่เพนเจิตของเขาจริงๆอ่ะนะจิตของเขาจริงๆถ้าเขาอาภัยจริงๆเลยเขาไม่เอาไม่เขาวางอย่างาวางได้จริงเอาอย่างพูดง่ายๆ อย่างพระอระหันต์เนี่ยท่านจะเหลือการจองเวรจองกรรมใครไหมใช่ไหมไม่เหลือก็ท่านก็ไม่ได้รู้ว่าท่านไปเป็นหนี้กับใครใครเป็นหนี้กับท่านจนหมดใช่ไหมแต่ใครใครท่านก็ไม่จองเวรจองกรรมใครอีกแล้วจริงๆมันก็หมด มันท่านไม่มีนอกจากคนอื่นเขาจองเวรท่านอย่างรู้จ้าขนาดรู้จ้าในทางคดเบียองเวรแค่เลยคนย็งมาจองเวรท่านท่าก็ามาเล่นงานท่านเพราะนัผู้ใดที่หยุดจริงๆของจิตตัวเองจริงๆได้จริงไอ้คนอยากหยุดหนึ่งอยากนะอยากหยุดแต่จิตมนันตกเป็นอนุสัยตกเป็นสิ่งที่ยังทอนไม่ออกทั้งหมดมันจึงมีอยู่ เพราะฉะนนงต้องทำจริงๆทำหมดแล้วถ้าเผื่อว่าชัดเจนองคุธเจ้าแล้วทำอีกทำซ้ำทำจนกระทั่งสมบูรณ์ครบทวนรอบมันก็จบสเสด็จเด็ดขาดเลยยงสรุปจบตอบถ้าคุณรู้จักจิต จ, จริงถอนอาสวะคุณคุณไม่พยาบาลแล้วไม่เอาเวรไม่ถือสาแล้วคุณถอนอาสวะเป็นก็เลิกได้เลย ต้มีเงื่อนไขนะว่าคุณเองคุณต้องทําใจให้เป็นการงานจริง ๆ, ๆแต่เริ่มต้ น, นว่าเอาละเราไม่เอาเรื่องเราไม่พยาบาลแล้วเลิกคุณเริ่มได้ไปตามลําดับเริ่มได้ตามลําดับเพราะฉะนั้นเราจะพูดัะเป็นภาษ า, ษาธรรมดา أ, โอ้ยหยุดเถอะจองเวรจองการเวรเลิกเลิกเอ้เเเาจริงๆแบบหยุดไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาเปลี่ยนแปลงกายกรรมวิจิกรรมว่าหยุดส่วนใจคุณแล้วแต่ว่าคุณเองสามารถยังลงไปถึงซ u b c o n s c i o u อันคอนเชสของคุณตั้งแต่กิเลสระดับกลางระดับอนุสัยได้เท่าไหร่ถ้าทํ า, ลลาได้จริงอย่างจริงๆรละล้างไม่ยึดจริงๆปล่อยวางจริงเลือกได้เหมือนอย่างพระอรหันต์นะถ้าร่านท่าอย่างลงไปถึงอนุสัยได้อันคอนเชสได้ท่านก็วางหมดอ่าตอบแล้วคือว่าครบแล้วชัดแล้วอ่าใครอีกครับให้สรุปวันนี้พรอครูได้ พูดถึงเรื่องสู่สู่ความสาเร็จของบุญนิยมและวัฒนธรรมของบุญนิยมนะประเด็นแรกที่พรอครูจ่าหัวก็คือรู้แล้วกิเลสเนี่ยสู้มันบ้างสอิอย่ายหกิเลสมันก ด, กดหัวมันบา้างนนะการกดหัวมันบ้างอะไรเงี้ยนะอันนี้คือประเด็นแรกที่นํำก็สู่บทเรียนมันกดเราเรามันจะกดเอาแต่มันกดเราถ้าเราไม่กดมันบ้างครับ คเรียกว่าจ่าหัวขึ้นมาก็ค no ือนำเข้าสู่ประเด็นเรื่องนี้นะแล้ประเด็นเรื่องสูตรสุวนทัศน์เดชุดุบนญยมเนี่ยคือก็คือพูดการศึกษาเอาจริงแต่ประเด็นการศึกษาคือศึกษาเรื่องศีลเรื่องคุณธรรมที่เราตั้งกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองส่วนการเอาจริงเนี่ยพ่อครูก็เน้นย้ําหรือว่าธรรมะขัดการเอาจริงไม่มีทางสําเร็จแม้แต่ทางโลกีก็ไม่มีทางสําเร็จ ประเด็นนี้ประเด็นสําคัญมากในชาวโสดไหมตัวผมเองก็แล้วแต่นะซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเออเรายังไม่เอาจริงมากนะกิเลสเราก็เลยลดยากนะที่จะเป็นไปอย่างเงี้ยนะี่คือลาะเลาะและแหละพ่ครูอธิบายหมดเลาะเลาะและและนะเล่นเล่นหัวหัวนะนะมันคือเหมือนกับเล่นเอาเถิดกับมันอยู่นะมันก็เลยไม่สามารถที่จะลดลงไปได้นะประเด็นตรงนี้แล้วก็ทําตัวเองให้ให้ต่อเ น, นื่องให้ตกผลึกนะจน เกิดหมู่กลุ่มเคลือข่ายเคขยายงานตนนี้ถึงเยผยแพร่แล้วก็การตลาดนะแล้วก็วมาพอครูก็สงสัยว่าไอ้อะไรคูเกินมันได้รายได้ไมาจากไหนนะซึ่งไรายได้เนี่ยมันจะมีเยอะมากของขวัญบ้างเกมบ้างสติ๊กเกอร์บ้างนะ อ, อ, อะไรล่ะโฆษณาบ้างนะเขาจะปีแค่ของขวัญกันนครับก็เสียเงินละนะให้ของขวัญกันไม่ได้อะไรครับได้รูปภาพเฉยๆแต่ว่าเสียตังค์นะ หรือว่าเกมเงี้ยก็เสียกันเยอะแยะมากมายมหาศาลเนี่ยแล้วเล่นกันเป็นรับเป็นสั่์นะคิดตังค์ใั้เรื่องเกมเนี่ยโอเสียก็เป็นแสนนะครับอที่ออกข่าวอ่ะครับว่าพ่อแม่เราจนเลยเนาะตุ่มไปเล่นแล้วที่ไม่ออกข่าวนี่เยอะแยะมากมายครับอครับมันก็เป็นสิ่งที่ได้ง่ายมากเพราะคนมันเล่นมันไปเรื่อยๆแล้วมันมีม่หยุดเมันจบนะครับมันก็ได้เงินเยอะมันยิ่งกับบัตรเครดิตเนาะครับมันไปได้ง่ายมากยิ่งกับบัตรเครดิตอีก เพรเขาก็มาทวงถึงบ้านเลยทีเี้ยมันก็เสียเงินนะแล้วก็นี่แหละโทษของสินเชื่อโทษของสินเชื่อพ่อคูก็เน้นย้ำว่าการตลาดของโล ก, กียก็คือเอาเปรียบได้ประโยชน์คนระูแต่ว่าการตลาดบุญนิยมเนี่ยนะเผยแร่คือให้ประโยชน์ท่านหรือประโยชน์คุณนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคุณประโยชน์ต่อต่อประชาชนนะไม่ใช่ประโยชน์เข้าหาตัวเองในตลาดบุญนะิยม ส่วนวัฒธรรบุญนิยมเนี่ยนะพ่อครูก็อธิบายเรื่องว่านะปัญญาคือการจัดการลดละกิเลสไม่ใช่ปัญญาเฉโกนะขยันขยันจนเป็นเองโดยไม่ต้องรู้สึกว่าต้องขยันอะไรเงี้ยนะซึ่งเออการมาตรวจสอบตัวเองว่าเออมันเราจะต้องขยันจนเป็นอัตโนมัตินะนะดันั้นจะดูว่าเป็ น, ปนอริยะหรือ เ, เป็น ต, ะะตัฏฐต่างัน่งนั้นเองครับนั้นจะดูว่าคนที่เป็นอริยะหรือไม่ก็ดูจากว่าขยันเสียสละหรือไม่นะ แล้วก็เป็นอัตโนมัติไม่ไม่ต้องเข็นนะนะไม่ต้องเข็นไปลักษณะนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวัประเด็นย้ําว่าถ้าเรามีบารมีเนี่ยก็ไม่ต้องขอแรงนะคือคนเขาก็รู้เขาก็จะมาช่วยเราเองลักษณะนี้สิ่งที่พระครูอธิบายนะในสิ่งเหล่านี้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่อธิบายให้คุณหนึ่งดาวเดี๋ยวฟังเนี่ยผมก็ได้ประเด็นอย่างหนึง่งว่าพุทธเนี่ยไม่สร้างอุเบกขาแต่สร้างเหตุปัจจัยให้มันได้อุเบกขา ลงไปในการลดละกิเลสคือถ้าเปิดเป็นฤาษีนี่คือสร้างอุทานให้มีอุบเบกขาขึ้นมาในจิตใช่เคหัสิตาอุบเบกขาในสร้างขึ้นมาเองแต่ถ้าพุทธานี่สร้างเหตุปัจจัยพุทธาไม่สร้างแต่ว่ามันไปเป็ น, น, นเนคหมสิตาอุบเบกขาโดยผล ท, ทั้งเหตุเท่านั้นทําเหตุแล้วก็มาเกิดผลเองครับและก็ประเด็นลิงที่บอกว่าคนเราเนี่มันโง่จริงๆเลยสุขมันก็ยึด ทุกมันก็ยึดนะโอฟังอันนี้แล้วสะดุ้งเลยนะคือจิตเราไปจริงๆครับอะไรมันก็ยึดไปหมดอะนะทั้งทุกข์ทั้งสุขเนี่ยมันยึดนะแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าการแปลเปลี่ยนคือเราเน้นย้ําว่าถ้าเราเห็นกิเลสนะให้รู้จริงจากความเป็นจริงอย่าพิ่งไปกดมันอะไรมันแล้วก็ให้เห็นว่าเออมันไม่เที่ยงนะมันแปลเปลี่ยนไปเป็นอย่างนี้รู้ความจริงส่วนใหญ่เราไม่อยากเห็นมันไงเราก็อยากตบมันลงไปเลยอะไรเงี้ยนะแต่รู้เข้าใจมันก่อนแล้วก็คําอธิบายกับมันแล้วก็ ให้มันเข้าใจแล้วมันก็กิเลสมันก็จะลดลงไปอันนี้คือสิ่งที่ได้อธิบายวันนี้ก็สรุปได้แค่นี้ครับนักาการครับขยายขยายให้ฟังต่อสุขมันก็ยึดทุกข์มันก็ยึดจะอธิบายให้ฟังคุณเองคุณไม่ยึดทุกข์หรอกคุณยึดสุขใช่ไหมแต่สุขนี่เป็นลูกของทุกข์ หรือจริงๆมันเป็นแม่เป็นพ่อของทุกข์มันเป็นได้ทั้งนั้นคือไม่เป็นตัวเหตุใหญ่ของทุกข์สุขเนี่ยคุณยึดว่าคุณยึดสุขสุขมันไม่จริงหรอกนะจริงๆคุณยึดสุขนั่นก็คือคุณยึดทุกข์ทุกข์คือตัวเหตุมันอยากมันมันฝังไว้ที่อนุสัย แล้วมันก็ได้บำเบลเพราะบำเบลอมังก็หลอกว่าสุขและคุณก็ยึดสุขเนี่ยที่จริงคุณยึดคำว่าสุขนั้มันมันรวมหมดตัวลูกตัวแม่ตัวพ่อไว้แล้วคือยึดรวมตัวทุกไว้แล้วเพราะคุณยึดสุขก็คือยึดทุกเพราะสุขทุกจริงจริงมันตัวเดียวกันจริงๆใไอตัวทุกนั่นนหะมันเป็นลูกหรือเป็นพ่อเป็นแม่มันจริงๆเลยเป็นตัวเหตุใหญ่ตัวต้นทาง เพราะคุณจะยึดสุขหรือยึดทุกข์มันก็คือทุกข์นั่นแหละสับสนไหมชัดจินชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นคนถึงยึดว่าจะสุขหรือจะทุกข์คุณยึดเข้าไปอันไหนก็นแล้วแต่มันก็ตัวเดียวกันรวมแล้วก็คืออนุสัยอาสวะคุณที่ยังคุณยังไม่ปล่อยไม่คลายเหตุที่คุณจะต้องฟังอย่นั้นนะเช่นเอายกตัวอย่างไงคุณคิดถึงความสุขอันนี้พอคุณคิดถึงความสุขอันนี้คุณก็ นึกต่อเวลาหาเหตุ ead, ปัจจัยสุขอะไรละ่ะสุกอยากกินมะม่วงคุณก็เป็นทรลายไมหามะม่วงแล้วมันทุกไมตัวตัณหาอยากเกิดทันทีมันพ่อแม่ลูกตัวเดียวกันเลยคุณอยากอะไรขึ้นมาคุณกบนิ่งไว้แม้คิดถึงสุขตัวนี้เอออยากจะได้มันแล้วคุณนึกขึ้นสุ ข, ขมาถ้าคุณอยากได้คุณก็ปรุงแต่งเอาเองเป็นสัญญาลมร้อนแรมันก็ไม่จริงอยู่นั่นแหละคุณก็จริงมันต้องมีตัวสัมผัส คุณก็ไปหาสัมผัสใส่คุณก็ไปรนลานวิ่งอยากตัวเดียวกันเลยนี่ขยายความกาไปให้ฟังอีกอ้าว อ, อีกสองนาทีธิกระมาดกราบขอการนะคะเขาขอพูดสมมุติสมมติติจาะแป๊บหนึ่งนะค ะ, ปะเป็นยังหวะพรุ่งนี้ขอแรงนิสิตจัดจัดห้องห้องห้องทำงานของตัวเองนะคะให้คุณเชียนพุทธเป็นผู้นำนะคะ ที่ทิชชีกันไว้อันนี้ขอเวลาพิเศษเพราะว่าไม่รู้จะแจ้งตรงไหนพร้อมๆให้แจ้งนันเองเนี่เป็นตรวจมะเร็งมะเร็งป่าเนี่ยางงาเทนพุทธเนี่ยนะมันกำเริบแร้วมันจะหายกันแน่เนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยสิบสี่ปีแล้วเนี่ยมันไม่ตายมันก็ไม่น่าจะโตนะสิบสี่ปีฮะอา้าวต่ อ, อตอนต้นกีฟังแล้วสิ่งที่ เข้าไปในใจมีอยู่สองเรื่องนะคะคือเรื่องเรื่องของชลายาตนะเนี่ยแต่ว่าพอมาเรื่องหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันจะตรงกับสภาวะที่ที่กำลังอะไรอะ่ะกำลังทาของตัวเองอยู่ะ ค, ะคือเรื่องระหูตาะฮะระหูตาเนี่ยคือความเบาลงอ่ะคือเราเรารู้สึกว่าเราสัมผัสกับจิตเราที่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีมีความแรงมีความตั้งใจจะทำอะไรก็มุ่งมั่น มุ่งมั่นแล้วก็ทำให้ได้แต่เราคิดว่า น, นั้นเป็นอิทธิบาทเป็นความตั้งใจเป็นความเสียสละแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าไอ้แบบนั้นมันคือการเอาแต่ใจนะแล้วก็การปั้นตัวปั้นตนด้วยตัวเองค่ะต่นี้พอพ อ, พอฟังพ่อครูเรื่องระหุตาเนี่ยนะวันนี้รู้สึกว่าเรื่องของนามรูปเรื่องของรูป24 28เนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าใจขึ้นเยอะนะคะว่าระหุตาเนี่ยเราลดเร า, เร า, เราลดทิฏฐิเราลง เราไม่เอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วเราก็เข้าใจหมู่เข้าใจคนอื่นเนี่ยเราจะมีความอ่อนแล้วก็มีควา ม, มไม่กระ ด, ด้างแล้วมันก็แววไวมีงานอยู่ในนั้นร้อยเหี่ยงกันเต็มนะคือมุทุ<ะ>ทตาคือพอเราลดทิฐิเราลงเนี่ยเราเบาๆง่ายๆเข้าใจคนอื่นก็ได้ไหมรู้จักของเขาได้ไหมรู้จักรอบของเขาได้ไหมคือก็ไม่รู้ว่าจะทำเบาอะ่ะแต่มารู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนทิฏฐิเปลี่ยนกิเลสเราลงอะ่ะพอวันนี้มาฟังพ่อครูเรื่องละหุตามุทุตตา แล้วก็กรรมัญญาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเข้าไปในใจนะคะว่าโอ้อย่างงี้ถูกแล้วนะทำใจให้เบาๆนะเบาๆนะก็คือฟังคนอื่นมีโยนิโสมนัสิกาแล้วก็มีปาราโตโคสะเอาใจเนี่ยไปฟังคนอื่นเคารพคนอื่นแล้วก็เข้าใจคือสิ่งที่คนอื่นเป็นมันก็จะลดใจลดตัวตนแล้วก็ลดทิฐิของเราความแรงความอะไรซึ่งเมื่อก่อนถ้าเราแรงหรืออะไรเนี่ย เวลาพูดแรงหรือเวลาคิดอะไรแรงๆเนี่ยมันจะร้อน่ะในในในตัวน ม, ม, มีอุณหภูมิมันเปลี่ยนไปนะมันร้อนมันไม่ไ้ม่ใช่ตัวใจมันร้อนแล้วมันก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นแบบที่เราคิดแต่พอเรามาเข้าใจใจแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจธรรมะที่ท่านบอกว่าชลาญตนะค่ะก็รู้สึกว่ามันสัมพันธ์กันนะฮะชลาญตนะเนี่ย คืออายัดนะคือตาหูจมูกมันเป็นเครื่องเชื่อมที่จะไปรู้รูปรสกินเสียงสัมผัสแต่เครื่องเชื่อมตัวเนี้มันมันถูกอวิชาครอบงํามันก็เลยโง่พอมันโง่แล้วมันก็เชื่อมพอไปเจอปุ๊บมันก็ชอบปั๊บเจอปุ๊บมันก็เกลียดปั๊บบอกแบบนี้ฉันไม่ชอบพูดแบบนี้ฉันไม่อยากฟังพูดแบบนี้ฉันอยากฟังนานๆเงี้ยไอ้ตัวนี้สนะคะมันก็มาสั่งเราเราก็เชื่อมันนะเชื่อมันแล้วก็คิดไปตามมันบ่นไปตามมันเอ๊ะ คนนี้ไม่น่าพูดนานเลยพูดไม่ถูกอะไรเงี้ยมันก็จะว่าไปนี่เมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วนะอย่าเพิ่งมาว่าเออเรามาดูของเราดีกว่าว่าพอฟังอัจฉริะที่อย่ใงธรรมทียงีอยู่ในธรระที่มีอยู่ในธรรมะท่มีอย่นธรรี่มีอยู่ในธรรมยที่มัในธรรมะที่มอยู่าเธรรมอยู่ในธรรมะที่มอย่ในธรรมที่อยู่ในมัที่มีอยู่นเครมที่อยนธระที่มีนธรรมะที่มีอย่นก็จะสี่มีอย่ในี้อย่างมี่มีอยู่ในมี่มัอยู่ในธรรมะที่มีน พอรู้ทันมันก็ดูการทํางานของมันเออมันก็ทําอย่างนี้โง่ๆอย่างนี้ทุกทีไม่เสียเวลากับมันละหรือว่าบางทีก็แบบรูปธรรมนะฮะอะไรงี้นะฮะเราก็เคยยึดแบบนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราแรงกันนี้อีกเมื่อก่อนเนี่ยเราโชว์อะไรของเราน้าเกียดกว่า น, นี้อีกคนเวลาเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะต้องเข้าใจคนนะมันจะมีตัวเหล่านี้ค่ะมามามา อันนี้ก็คงสอดคล้องกับที่พ่อครูเทศเรื่องชลายัตนะพออายัตนะสัมผัสรูปสัมผัสเสียงสัมผัสเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราก็มาเท่าทันการสังขารการปรุงแต่งการคิดไปตามอวิชชาถ้ามันมีอวิชชามันจะคิดทันทีแต่ถ้ามันไม่มีมันก็สงบมันก็ต่อไปตามเรื่องอ่ะนะคะอันนี้ก็คือความฉลาดความฉลาดที่ที่ ที่น่าจะที่เรียกว่าเป็นสายปัญญานะคะถ้าสายปัญญาต้องฉลาดนี่แหละตัวฉลาดแทด้และฉลยยตนานเห็นเห็นชัดขึ้นไหมรู้สึกว่าวันว น, า น, านี้กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะค ะ, ะไม่ใช่ว่าฉลาดก็คือการปรุงแต่งความคิดการปรุงแต่งความคิดนันไม่ใช่นี่มันตะ ก, กะฉลาดนี่มันต้องมีของจริงตามความเป็นจริงเพราะทา ง, งโลกก็บอกว่าววอะไรนะคนคิดเก่งคิดไวนี่คือคนฉลาดใช่ไหมแต่ว่า คิดเก่งคิดไวแล้วก็กกทำให้ได้ดังที่ตัวเองคิดเก่งคิดไวกับเอาวิชาหนาเป็นปึกเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันทำให้ <c oughs> เราเนี่ยได้ <c oughs> อะไรสมใจแล้วก็ <c oughs> เอาเปรียบคนอื่นแล้วก็คิดอะไรแบบคดโกงให้คนอื่นไม่เท่าทันอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่าความร้ายกาศตัวนี้นี่ยิ่งฉลาดฉลาดแบบโลกจะรู้สึกว่าโง่ทางธรรมมากขึ้นนะฮะพิ <c oughs> ก, การค่ะ อหมดเวลาตอนนี้สองทุ่มสิบอนี้สบสี่นนสิบห้าละนะอ้วเอาละอาตมาก็ไม่สรุปอะไรละนะก็ตั้งใจศึกษาดีๆนะอาเวลาที่จะมีต่อไปก็พยายามอย่าพึงรีบตายนะเจริญธรรมทุกคน <laughs>